มีอะไรอยากจะถามหหไหมไม่มวันนี้มีเลยยังไี่เจอหลวงพ่อหลวงพมีประจำเลยหลวงพ่ออย่าเบื่อหนูถ้าถามแล้วหาคำตอบได้เองจะดีกว่าอ๋อจะได้ฉลาด <c oughs> เป็นปัญญาถ้าถามคนอื่นมันก็เป็นสัญญาคุณควรคำตอบผิดแล้ว <c oughs> เจ้อเลยต้องถามจะต้อง ดูพระพุท ธ, ธเจ้าท่านก็ไม่ได้ท่านฐานใครก็ไม่มีใครรู้ท่านก็เลยต้องถามตัวเองถามตัวเองก็เลยได้ของดีได้ของจริงถ้าถามคนอื่นมันก็เป็นความรู้ของคนอื่นเราฟังไปเดียวเราก็ลืมแต่ถ้าเป็นความรู้ของเรานี่มันไม่ลืมความรู้ที่เราไม่ลืมเราเรียกว่าปัญญาความรู้ที่เราลืมเราเรียกว่าสัญญาเป็นความจำ อย่างเราเรียนหนัสือเนี่ยนะเรียนไปเรียนไปเดี๋ยวก็ลืมไม่หมดนนเป็นความจำํำแต่ถ้าความรู้ที่มันเราจําได้ตลอดเนี่ยเราจะไม่ลืมเรียกปัญญาเช่นใครตกหน้าเราเนี่ยมันจะไม่ลืมมันจะจำได้ตลอดเลลวลา <c oughs> <c oughs> อันนีเรียกว่าปัญญามันต้องมีประสบะการณ์กับตัวเอง <c oughs> ถึงจะเรียกว่าปัญญา <c oughs> เปล่านี่ก็ไม่ได้ว่าอะไรเพียงแต่บอกให้ฟังว่าความรู้สองแบบถ้ารู้เองนี่มันจะมักจะจําได้มันจะไม่ลืมแต่ถ้ารู้จากคนอื่นนี่มันมันกับสิบปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นมันก็ฟังแล้วเดี๋ยวมันก็ลืมได้แต่ก็ต้องทบทวนถ้าไม่อยากให้มันลืมก็ต้องทบทวนบ่อยๆ อย่างธรรมะที่เราฟังเนี่ยเราต้องคอยทบทวนอยู่เรื่อยๆแล้วมันก็จะไม่ลืมได้เช่นพระเจ้าบอกให้พิจารณาอยู่เนืองๆว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเนี่ยให้พิจารณาอยู่เรื่อยๆถ้าเราไม่พิจารณาเดี๋ยวเราลืมพอใครตายขึ้นมาก็วุ่นวายกันใหญ่เลยตื่นเต้นตกใจเหมือนกับเป็นของแปลกประหลาดทั้งที่มันเป็นของที่มันต้องเกิดขึ้นกับทุกคน แต่พอเราไม่ไปคิดถึงมันไม่ไปพิจารณาไม่ไปจดไปจำมันมันก็เลยลืมไปแล้วก็เลยคิดว่าไม่มีใครไม่มีใครจะตายกันี่พอคนตายขึ้นมาก็เลยตื่นเต้นตกใจกันใหญ่เป็นเรื่องใช่ไหมเป็นข่าวใหญ่เป็นข่าวในหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์เลยโอ้ยคนนั่นตายอความจริงมันน่าจะเป็นหน้าสิบของในหนังสือพิมพ์ด้วยอย่างเงี้ยเรื่องคนตายเนี่ยรู้กันอยู่แล้วกลามา ต้องตายด้วยกันทุกคนแต่เพราะว่าเราไม่ทบทวนเราไม่คิดถึงมันอยู่เรื่อยๆเราเลยลืมมันไปเราเลยว่าจะต้องตายกันพอคนตายขึ้นมาทีหนึ่งก็เลยกลายเป็นข่าวหน้าหนึ่งขึ้นมาอันนี้พูดให้ฟังเปรียบเทียบสำหรับคนที่เขาทบทวนอยู่เรื่อยๆเรื่องความตายเนี่ยเขาจะเฉยๆพอมีข่าวอะไรคนด้วยคนนั้นตายคนนี้ตายเฉยๆมันจะเป็นเรื่องมันเห็นจะเป็นเรื่อง แปลกประหลาดอะไรที่ไหนใช่ไหมเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาเป็นเรื่องปกติเหมือนผ้าทิศขึ้นกับผ้าทิศลงเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติเรื่องเกิดกับเรื่องตายมันก็เป็นเรื่องปกติแต่พอเราไม่ไปคิดถึงมันมันก็เลยกลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมา <c oughs> คนที่จำได้ก็เรียกว่ามีปัญญาคนที่จาได้ว่าเกิดมาแล้วต้องตายเนี่ยเรียกว่ามีปัญญา ควที่จําไม่ได้เนี่ยเรียกว่าสัญญาจําไม่ได้สัญญาแปลว่าความจำเนี่ยเราได้ยินได้ฟังมาคุณเจ้าสอนว่าเกิดมาแล้วต้องตายไปเป็นธรรมดาเราฟังแล้วเราก็เข้าหูซ้ายออกหูขวาไปเราไม่ดึงเข้าไว้ในใจเราไม่เอามาทบทวนอยู่เรื่อยๆถ้าเราเอามาทบทวนอยู่เรื่อยๆเราจะไม่ลืมความตายกัน แล้วความตายก็จะไม่เป็นปัญหากับเราจะไม่สร้างความทุกข์ให้กับเราจะไม่ต้องมาร้องหหวมร้องไห้เศร้าโศกเสียใจเพราะรู้อยู่แล้วว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเราไม่รู้เนี่ยเศร้าโศกเสียใจทำไมต้องตายทำไมต้องตายถามไปทาไมถามใครแล้วใครจะให้คาตอบได้ทำไมจะต้องตายก็เพราะมันต้องเพราะมันเกิด น, นะ่ะสิมันถึงต้องตายถ้าไม่เกิดมันก็ไม่ตาย อย่ากไม่ตายก็อย่ามาเกิดอามาคำถามมามาพ่ามหนคือุณพ่อเคยสอนไว้ว่าพุทโธอยู่เป็นเรื่อยๆเป็นประจําทีนี้ตอนเวลาหนูก็คือกินข้าวอิ่มอะคะ่ะแล้วหนูตอนนี้เกอดมีการปฏิบัติตัวใหม่คือว่าเวลากินข้าวอิ่มแทนที่จะไปนั่งดูทีวีดูละครหนูก็เข้าห้องแล้วก็มานั่งสมาธิแล้วก็พุทโธพุทโธ คือครั้งครั้งแรกที่หนูพูดโทนหนูก็ไม่ได้คิดว่าอยากจะอะไรมากมายหนูก็คิดว่าหนูอยากจะย่อยตัวเองว่ากลัวเป็นกดไหลย้อนมากไม่อยากจะเอ็นตัวนอนหรืออยากจะทําอะไรก็เลยได้ของแถมกลับไปว่าเออมันมันพูดโทรไปเรื่อยๆไม่ไม่ได้ไม่ได้ว่าจะต้องนานแค่ไหนไปเรื่อยๆก็รู้สึกว่าสงบดีหลวงพ่ อ, ห, พอหลังจากที่กินข้าวหลวงพอ่อทําถูกไหมเวลาหนูทําอย่างเงี้ยแล้วมันหลับวะปะไม่หลับเจ้าค่ะเพราะส่วนใหญ่ถ้ากินข้าวเสร็จไม่ สิบใหม่ๆแล้วไปนั่งนี่มันจะหลับแตะถ้าไม่ไม่หลับก็ดีก็ถ้านั่งสมาธิได้ยิ่งมากตลอดยิ่งดีหอจะเป็นหลังข้าวก็ไม่ใช่ปัญหาไมไม่มีปัญหาได้ตลอดเวลาที่ที่ไม่ไม่กินหลังข้าวกันก็เพราะมันมักจะหลับกันถ้าไม่หลับก็ไม่เป็นปัญหาเลยตอนที่เขาหลับเขาก็เลยต้องเดินก่อนเดินย่อยแทนที่จะนั่งย่อยเดินจงกรมไป เดิไปเดินมาสักชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วร่างกายก็เบาท้องเบาทีนี้ก็ไปนั่งสมาธิต่อได้ก็จะไม่ง่วงแต่ถ้าเราไม่ง่วงก็ไม่เป็นปนัญหาอะไรเพราะถ้านั่งแล้วหลับมันก็เหมือนกับนอนมันก็ไม่ได้ประโยชน์จากการนั่งเพราะสติไม่มีแล้วเวลาหลับไม่มีสติ <c oughs> การนั่งนี่เราต้องการสติและต้องการความสงบสองอย่างถ้าไม่มีสติมันก็จะไม่สงบมันก็จะหลับ ถ้ามันมีสติมันก็จะสงบความสงบก็จะให้ความสุขกับใจแล้วเราก็จะได้รู้จักวิธีรักษาใจของเราให้มีแต่ความสุขไม่ให้มีความทุกข์เกิดขึ้นมาในใจเรามันก็นั่งได้ตลอดเวลาอยาจะนั่งตอนไหนถ้านั่งได้ก็นั่งไปนั่งแล้วอย่าหลับกัแล้วกันถ้านั่งหลับก็เหมือนกับไม่ได้นั่ง ก็าอาจจะถูกหลอกคิดว่าตัวเองได้นั่งสมาธิได้ก้าวหน้าได้นั่งทีละหลายหลายชั่วโมงแต่หารู้ไหมว่าไม่ได้นั่งสมาธิแต่นั่งหลับก <c oughs> ารนั่งสมาธินี่เป็นวิธีหาความสุขให้กับเราที่ถูกต้องที่สุดที่ดีที่สุดดีกว่าไปนั่งดูหนังนั่งดูละคร ไปนั่งทำอะไรต่างๆนั่งเล่นไพ่นั่งอะไรสู้มานั่งสมาธิจะดีกว่านั่งสมาธิใจสงบแล้วจะมีความสุขกว่าเราไม่ต้องเสียอะไรเงินทองก็ไม่ต้องเสียไปเล่นอะไรไปนั่งดูอะไรก็ต้องเสียเงินเสียทองเั้นมาหาความสุขจากการนั่งสมาธิกันดีกว่า แล้วชีวิตเราจะปลอดภัยจากความทุกข์ต่างๆเพราะว่าความทุกข์ต่างๆมันก็เกิดจากการจากความสุขที่เราไปหากันนั่นแหละเพราะความสุขที่เราไปหากันมันเป็นความสุขชั่วคราวพอเวลามันหมดไปมันก็ทำให้เราทุกข์กันเจนเวลาเราได้ความสุขจากการดูอะไรพอวันไหนไม่ได้ดูเราก็ทุกข์กัน ดูละครมันก็เป็นตอนเป็นเรื่องพอถึงถึงวันนี้จะดูดูไม่ได้ดูไฟดับหรือเครื่องเสียความสุขที่ได้จากการดูละครก็หายไปความทุกข์ก็ตามมาแทนแต่ถ้านั่งสมาธินี้เรานั่งได้ตลอดเวลาทุกแห่งทุกคนไม่มีไฟก็นั่งได้ไฟดับก็ไม่เป็นปัญหา เพระเราไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรเครื่องมือที่เราใช้เป็นเครื่องมือที่ไม่มีวันหมดออคือสติเนี่ยถ้าเราสร้างขึ้นมาได้แล้วมันจะอยู่กับเราไปตลอดไม่เหมือนกับความสุขที่เราได้จากสิ่งภายนอกจากรูปเสียงเกลื่อนรดต่างๆต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือจะดูทีวีก็ต้องมีทีวีจะฟังเพลงก็ต้องมีเครื่องออฟัง ถ้าเกิดเครื่องฟังเสียก็ไม่ได้ฟังทีวีเสียก็ไม่ได้ดูพอไม่ได้ฟังไม่ได้ดูใจก็อดอัด ว, ว่าเหวเหงาแต่ถ้านั่งสมาธิไดนน้นั่งได้ตลอดเวลาเวลาอยากจะมีความสุขก็นั่งหลับตาพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวใจสงบนิ่งก็มีความสุขขึ้นมาแล้ว นหลความสุขที่ไม่ต้องเสียเงินเสียทองกลับไม่ชอบกันชอบความสุขที่ต้องเสียเงินเสียทองต้องไปถ้าถึงเวลาอยากจะมีความสุขนั่งสมาธิแล้วถ้าเกิดหนูเกิดมีความรู้สึกมันเกิดทุกข์ขึ้นมาก็ต้องนั่งสมาธิก็ได้ใช่ไหมคได้ก็นั่งสมาธิก็จะดับความทุกข์ได้พะจิตสงบความทุกข์ก็จะหายไป แล้วถ้าเรานั่งสมาธิได้จนชำนาญแล้วขั้นต่อไปเราก็หัดใช้ปัญญาใช้ปัญญาแล้วเราจะสามารถที่จะดับความทุกข์ต่างๆได้อย่างถาวรความทุกข์ถ้าระดับด้วยสมาธิมันจะดับได้ชั่วคราวเวลาเราไม่สบายใจเราไปนั่งสมาธิมันก็หายไปเดี๋ยวพอเราออกมาจากสมาธิไปเจอเรื่องที่ทําให้เราไม่สบายใจ ก็เกิดความไม่สบายใจขึ้นมาอีกแต่ถ้าเราใช้ปัญญาพิจารณาเรื่องที่ทําให้เราไม่สบายใจเราก็จะเห็นว่ามันไม่สบายที่เราไม่สบายใจเพราะเราก็อยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอไม่ได้ดังใจอยากก็ไม่สบายใจอยากให้สามีเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอสามีไม่เป็นอย่างที่ใจอยากก็ไม่สบายใจ แต่ถ้าเราใช้ปัญญาวิเคราะห์ดูสามีว่าเขาเป็นอนิจจังอนัตตาอนิจจังทุกครั้งอนัตตาอนัตตาก็คือเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศเราไปควบคุมบังคับเขาไม่ได้ไปสั่งให้ฝนตกไม่ได้ไปสั่งให้แดดออกไม่ได้ฝนจะตกแดดจะออกเขาก็ทเาก็เป็นไปตามเรื่องของเขา สามีเราเขาจะเป็นอย่างนั้นหรือเป็นอย่างนี้เราก็ไปบังคับเขาไม่ได้ไปสั่งเขาไม่ได้เขาก็จะเป็นไปตามเรื่องของเขาถ้าเราเห็นว่าเขาเป็นดินฟ้าอากาศเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศเราก็จะได้อยากเราจะได้ไม่อยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอเราหยุดความอยากได้เราก็จะไม่ทุกข์กับเขาที่เราทุกข์เพความอยากของเรา อยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอเขาไม่เป็นก็ทุกข์เขาดื่มเหล้าอยากให้เขาเลิกดืม่มพอเขาไม่เลิกดืม่มก็ทุกข์เขาเที่ยวไม่อยากให้เขาเที่ยวก็ทุกข์แต่พอเราพิจารณาว่าเขาเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศเป็นอนัตตาอนาัตตาก็เป็นธรรมชาติไม่มีสัสตว์ไม่มีบุคคลไม่ได้เป็นสัตว์ไม่ได้เป็นบุคคล ลมพัดนี่เราไปอยากให้เขาหยุดพัดได้ปะ่ะถ้าอยากไปให้เขาหยุดพอไม่หยุดเราก็จะทุกข์เ<ม>ช่นเราของอะไรไปวางตากไว้ก ร, ก, กระดาษที่มันเปียกเราไปวางตากวางตากแดดไว้ลมพัดมาพัดเปรี้ยวไปหมดเราก็จะทุกข์เพราะเราไม่อยากให้ลมพัดไปแต่แต่แต่ถ้าเรารู้ว่าลมมันจะพัดถ้ามันจะพัดก็พัดถ้าไม่อยากจะให้กระดาษที่เราไปต่าง เราก็หาเห็นหาอะไรทับไว้กันแล้วกันเราต้องแก้ที่ตัวเราเราอย่าไปแก้ที่ดินฟ้ า, ากาศเราอย่าไปแก้ที่คนอื่นอย่าไปแก้ที่สามีแก้ที่ใจเราแก้ที่ความอยากของเราความอยากของเราเกิดจากความอยากความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากของเราอยากให้สามีไม่ดื่มเหล้าพอเขาไม่เลิกดื่มก็ทุกข์ไม่สบายใจไม่พอใจ แต่ถ้าเรากลับมาเปลี่ยนดูว่าเขาเป็นเหมือนเหมือนลมพัดเราไปสั่งลมพัดไม่ให้พัดไม่ได้ก็เหมือนกันเราไปสั่งให้สามีไม่ให้ดื่มเหล้าไม่ได้พอเรารู้ว่าสั่งเขาไม่ได้เราก็หยุดสั่งหยุดอยากพอเราหยุดอยากเขาจะดืม่มก็เรื่องของเขาเราก็ไม่เดือดร้อนนี่คือเรื่องวิธีที่เราจะทําให้เราดับความไม่สบายใจเกี่ยวกับเรื่องต่างๆได้หมด เพาะเรื่องของความไม่สบายใจของเราเกิดจากความอยากของเราที่จะไปอยากให้คนนั่นคนนี้สิ่งนั่นสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้กันทั้งนั้นถ้าเราไม่มีความอยากแล้วมันจะไม่มีปัญหาเลยอันนี้ถ้าเรามีสมาธิแล้วมีปัญญาเราก็จะหยุดความอยากได้แต่ถ้าเราไม่มีสมาธิถึงแม่รู้ว่า เป็นความอยากของเราที่ทําให้เราทุกเราก็ยังห้ามยังอดอยากไม่ได้ก็ยังอยากเขาไม่อยากก็ยังอยากเขาไม่ดื่มสซดาอยู่อย่างนั้นทั้งที่รู้ว่าอยากไปก็ไม่ได้ดังใจอยากแต่ก็ยังอยากอยู่เพราะอยากทีไรก็ไม่สบายใจทุกทีจนกว่าสักวันหนึ่งมีสมาธิเนี่ยพอจิตมีสมาธิจิตนิ่งสงบแล้วทีนี้อ่ะหยุดได้อ่ะมันจะดื่มก็ดื่มไป ฉันไม่มีความอยากด้วยฉันไม่อยากจะทุกข์ด้วยนะฉันเฉยๆดีกว่า น, นี่คือปัญญากับสมาธิถ้ามีสองอย่างนั้นเราจะสามารถทำลายความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจได้ถ้ามีเพียงสมาธิก็ทำหยุดได้ชั่วคราวเวลาไม่สบายใจกับเรื่องสามีก็ไปนั่งสมาธินะ อ่านั่งสมาธิแทนที่จะคิดถึงสามีสามีก็คิดถึงพุทโธพุทโธแ ท, ทนพอน อ, นอยู่กับพุทโธพุทโธแ ท, ทนก็เลยเรื่องสามีไปพอเ ร, เรื่องสามีไปความทุกข์กับสามีก็หายไปแตาถ้าอยากจะไม่ทุกข์กับสามีเลยเวลาเห็นหน้าสามีก็มองให้เขาเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศไปอยากไปเล่นกับดินฟ้าอากาศ ไปเล่นกับดินฟ้าอากาศแล้วจะผิดหวังจะเสียใจเราจรึงไม่ค่อยเล่นกับดินฟ้าอากาศใช่ไหมเราปล่อยให้ดินฟ้าอากาศเขาเล่นของเขาไปเขาอยากฝนอยากจะตกก็ปล่อยตกไปลมจะพัดก็ปล่อยพัดไปแดดจะออกก็ปล่อยให้แดดออกไปเราเลยไม่เดือดร้อนกับดินฟ้าอากาศแต่เรายังเดือดร้อนกับคนนั้นคนนี้อยู่เพราะเรายังไปอยากยังอยากไปเล่นกับเขาอยู่ ยังอยากจะไปควบคุมบังคับเขาอยู่อยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยู่เราต้องเปลี่ยนตัวเราต้องมองเปลี่ยนทัศนคติของเราเราต้องมองทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างนี่เป็นเหมือนดินฟ้าอากาศรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศเหมือนลมพัดอะรูปมันจะรูปมันจะมาในรูปแบบไหนเราก็ไปสั่งมันไม่ได้ บางทีก็เห็นรูปสวยบางทีก็เห็นรูปไม่สวยบางทีก็ได้ยินเสียงดีบางทีก็ได้ยินเสียงไม่ดีแต่ถ้าเราไม่ไปอยากให้มันสวยอย่างเดียวดีอย่างเดียวมันก็จะไม่มีปัญหาอะไรปัญหาของพวกเราค็ออยากดูแต่ของสวยๆงามๆอยากจะฟังแต่เสียงที่ดีเสียงที่ไม่ดีไม่อยากฟังรูปที่ไม่สวยไม่งามไม่อยากดู รูปของคนแยกเขี้ยวนี้ไม่อยากดูเสียงของคนด่านี่ไม่อยากฟั ง, งพ่อเจ้าค้านแล้วแล้วที่เกิดคนที่บ้านรลวงเกิดคิดต่างกับหนูหมายถึงว่าหนูชอบฟังธรรมะ <c oughs> คนที่ชอบฟังธรรมะ ม, มาฟังธรรมะบ่อยๆเขาก็เริ่มสงสัยว่าเอ๊ะ ไม่ฟังไหวจังหนูก็เลยถ้าหนูเคยคิดว่าถ้าหนูตอบอะไรลงไปมันพูดแรงๆไปหนูกลัวว่าเดี๋ยวก็ท้อกระเทือนใจว่าเพราะหนูเป็นคนชอบพูดตรงๆแล้วแรงก็จะทําทให้คนอื่นรับไม่ได้เหมือมีบทเรียนที่ผ่านมา ห, หนูก็เลยทยําตัวเฉยๆก็ไม่รจะตอบยังไงหนูก็ทําตามใจตัวเองว่าเราอยากจะทําในสิ่งเราอยากจะตั้งธรรมะอยากจะไปวดัดอยากจะทําอะไรในสิ่งที่ตัวเองทะเราก็ไม่กล้าที่จะอธิบายหนูไม่รู้จะอธิบายแบบไหนเจ้าค่ะที่จะให้เขาที่เขาเห็นต่างกับหนูว่าเจ้าค่ะ อถ้าอธิบายไม่ได้ก็ไม่ต้องอธิบายฉได้ ไ, ได้ไม่ต้องไปพูดเนะ่ยไม่พูดนะไม่ขาดทุนพูดไปแล้วอาจจะขาดทุนะเฉยๆดีที่สุดกลัวจะต้องไปยกมือไหว้ขอโทษอีก <c oughs> อก็พูดง่ายๆเธอชอบกินเหล้าฉันชอบไปวัดก็ทำนั้นเองก็ซาแต่วเดี๋ ย, ยวหนูจะได้ตอบแบบนี้เอ็นเรื่องของความชอบะเออ กํลาลังหาคําตอบเลยนะเนี่ยวันนี้ได้คําตอบแล้วเจ้าง่ายๆแค่นี้หาคำตอบไม่เป็นเดี๋ยใช่จาค่ะเพราะเพราะหนูเป็นคนตอบแรงๆนะเจ้าค้าแล้วก็เลยเดี๋ยวถ้าหนูจริงๆหนูจะไม่ได้ตอบแบบนี้จะตอบแบบเจ็บๆและแรงๆแบบก็เดี๋ยวค่้าเอาว่าเป็นความชอบนะคะใช่เธอชอบกินเล่าเธอกินไปฉันชอบไปวัดฉันก็ไปวัดก็มีเท่านั้นใจของเราเนี่ยมัน ถูกความชอบเป็นทำให้เราเกิดความอยากขึ้นมนาะพอชอบอะไรก็อยากได้พอไม่ชอบอะไรก็ไม่อยากได้พอเกิดความอยากก็ไม่สบายใจอยากแล้วไม่ได้ดังใจอยากก็เสียใจใวิธีที่จะแก้ความชอบไม่ชอบก็คือเราต้องล้างใจเราใจเราตอนนี้มันมีความชอบความไม่ชอบอยู่ในใจเราสามารถล้างความชอบความไม่ชอบได้ ความรักความชังความกลัวความหลงเนี่ยตอนนี้มันเป็นเหมือนอเศษอาหารที่มันติดอยู่ในจานนจานอาหารนี่เวลาเรากินเสร็จมันก็มีเศษอาหารติดอยู่มีมันมีอะไรติดอยู่ในจานถ้าเราต้องการให้จายจานสะอาดเราก็ต้องเอาไปล้างล้างด้วยน้าล้างด้วยอะไรน้ำยาล้างจานพอล้างมันเสร็จมันก็สะอาด ใจของเราก็จะใจของเราอยากจะให้สะอาดไม่มีความรักความชังไม่มีความชอบความไม่ชอบความกลัวความหลงเราก็ต้องนั่งสมาธิเพราะว่าเวลาใจเราสงบความชอบความไม่ชอบมันจะหายไปความรักความชังความกลัวความหลงมันจะหายไปแล้วจะทำให้เราเห็นอะไรแบบเฉยๆได้ เห็นอะไรก็ไม่รักไม่ชังไม่กลัว <off ice> ไม่หลงปล่อยเขาได้ใครจะพูดอะไรก็ก็ไม่เดือดร้อนใครจะด่าก็ไม่เดือดร้อนใครจะชมก็ไม่เดือดร้อนใครจะแยกเขี้ยวใส่ก็ไม่เดือดร้อนใครจะเอาใครจะาศีรษะเดินแทนเท้าก็ไม่เดือดร้อนเห็นอะไรได้ยินอะไรสัมผัสกับอะไรในใจจะเฉยนี่คืออนุภาพของ การฝึกนั่งสมาธิจะทำให้ใจเราเป็นกลางเขาเรียกกลางก็คืออุเบกขาอุเบกขานี้เหมือนรถยนต์ะรถยนต์นี้มีมีเกียร์เดินหน้ามีเกียร์ถอยหลังแล้วก็มีเกียร์ว่างถ้าเราเอารถเข้าเกียร์ว่างรถมันก็จอดสบายไม่วิ่งไปไหนถ้าเข้าเกียร์เดินหน้ามันก็ต้องพุ่งไปข้างหน้าเข้าเกียร์ถอยหลังมันก็ต้องถอยไปข้างหลัง ใจเราถ้าไม่มีสมาธินี่มันจะไม่นิ่งมันจะไม่อยู่ในเกียรว่างมันจะพุ่งไปข้างหน้านีืจะถอยหลังพอเจออะไรชอบก็พุ่งก็เลยเห็นกระเป๋าเห็นรองเท้าชอบพุง่งเข้าหาเลยพอเจออะไรเกลียดก็กระโดดหนีเลยถอยถอยกรูดเลย อ, อันนี้น <c oughs> ก็พอใจยังไม่มีอุเบกขาอุเบกขานี่เราสร้างขึ้นมาได้ มีคุณมีประโยชน์มากเพราะเวลาใจมีอุเบกขานี่ใจมีความสุขมากจะสุขกับทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกสุขกับเสียงชมจะสุขกับเสียงดา่าจะสุขกับรอยยิ้มจะสุขกับแยกเขี่ยวจะสุขหมวดจะเฉยเฉยไม่เดือดร้อนเนี่ยประโยชน์ของการมีสมาธิมีอุเบกขาการจะมีสมาธิมีอุเบกขาได้ก็ต้องมีสติ สตินี่เป็นตัวหยุดหยุดจิตหยุดอะไรก็หยุดความคิดเนี่ยความคิดเนี่ยคือการทางานของจิตถ้าต้องการหยุดจิตก็ต้องหยุดความคิดการจะหยุดความคิดก็ต้องให้จิตเพ่งอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่น oh. เพ่งอยู่กับพุโทโธบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปหรือเพ่งอยู่กับการกระทาของร่างกาย คอดูร่างกายว่ากาลังทำอะไรอยู่ให้ดูเฉยๆอย่าไปคิดปรุงแต่งเช่นเดินก็ให้ดูว่ามันเดินให้รู้ว่ามันเดินอาบน้ำก็ให้รู้ว่ามันอาบน้ำล้างหน้าก็ให้รู้ว่ามันล้างหน้าแปรงฟันก็รู้ว่ากำลังแปรงฟันให้รู้เฉยๆให้ดูให้เพ่งดูอย่าไปคิดทีนี้ การจะทำแบบนี้ได้เราต้องไม่มีงานการอะไรต่างๆถ้าเรายังต้องทำงานทำธุรกิจมันทำไม่ได้เพราะมันจะต้องเอาเวลาไปคิดกับเรื่องงานเรื่องธุรกิจกันคนที่จะมาฝึกสติมาฝึกสมาธิได้อย่างเป็นผลเป็นก่อเป็นกรรมจึงต้องไปบวชกันเพราะเวลาไปบวชนี่มันตัดธุรกิจต่างๆไปหมดธุรกิจการเลี้ยงการหาเงินหาทอง เกี่ยวข้องกับคนนั่นคนนี้มันจะตัดไปหมดเลยเหลือแต่ตัวตัวตัวตัวเปล่าๆตัวเหลือแต่ร่างกายอันที่ต้องคอยดูแลคอยเลี้ยงดูเท่านั้นเองนั่งบวชก็จะมีภาระแค่เพียงแต่คอยเลี้ยงปากเลี้ยงทอ้องเท่านั้นเองแต่มันก็ไม่ต้องใช้ความคิดมากอาบน้ําก็ไม่ต้องใช้ความคิดเนี่ยแปรงฟันก็ไม่ต้องใช้ความคิดเนี่ย กินข้าวก็ไม่ต้องใช้ความคิดเนี่ยไปบินธบากก็ไม่ต้องใช้ความคิดก็คิดแต่เพียงแต่ว่าต้องเปิดบาทนี้ต้องปิดบาทเท่านั้นเองคิดอยู่แค่นั้นเราใส่ก็เปิดก็ใส่ใส่ก็ปิดแล้วก็เดินต่อไป อ, อันนี้วิธีที่จะไม่ต้องคิดมากเยต้องมาเป็นมีอาชีพพระถ้าเป็นอาชีพโยมเดี๋ยวก็ต้องคิดแล้วไปหาเงินที่ไหนเอ รายได้ไม่พอจะต้องทายัางไงเพิ่มรายได้ขึ้นมาได้ได้ขึ้นมาแล้วต้องเสียภาษีต้องเสียอะไรโอ้ยมันมีเรื่องให้คิดร้อยแปดพันประการแต่พอมาเป็นพระแล้วนมันไม่ต้องคิดอะไรไม่มีอะไรต้องให้คิดมันก็เลยทำให้ควบคุมความคิดได้ง่ายทำให้จิตสงบได้ง่ายเวลานั่งสมาธิจิตก็ดิ่งเข้าสู่ความสงบได้ง่ายกว่า แล้วจิตก็จะเป็นกลางพอเข้าสมาธิมันก็จะเริ่มเป็นกลางพอออกจากสมาธิมันถ้าเอาอมานานานๆเข้าเดี๋ยวความเป็นกลางก็หายไปเพราะความเป็นกลางนี่ก็เป็นเหมือนน้ำเย็นที่เราเอาไปน้ำที่เราออไปแช่ในตู้เย็นเวลาแช่น้าในตู้เย็นน้ำมันก็เยน็นพอเอาจะเอาน้ำออกจากตู้มาไว้ข้างนอกสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันก็หายเย็น จิตเราก็เหมือนกันเวลาเข้าสมาธิเหมือนกับเข้าไปแช่ในตู้เย็นเวลาเข้าสมาธินี้จิตใจจะเย็นจะสบายใจจะเฉยไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนกับอะไรเวลาออกจากสมาธิมาใหม่ๆก็ยังเย็นอยู่เหมือนน้ำเพิ่งออกมาจากตู้เย็นแต่ถ้าทิ้งไว้สักพักหนึ่งเดี๋ยวมันไปรับรู้เรื่องราวต่างๆความร้อนก็จะเริ่ม ผลขึ้นมาในใจความอยากความโลภต่างๆก็จะเริ่มผุดขึ้นมาในใจทําให้ใจเริ่มร้อนนอน ต, อต่อไปก็ไม่เย็นะพอเห็นอะไรก็ไม่เฉยแล้วจะตอบโต้ทันทีเห็นอะไรชอบก็จะอยากได้ทันทีเห็นอะไรไม่ชอบก็อยากจะหนีทันทีพอถ้ามันเริ่มมีอาการอย่างนี้ก็ต้องกลับเข้าไปในสมาธิใหม่เหมือนดื่มน้ําที่เราแช่เย็นพอรู้ว่ามันไม่เย็นแล้ว เราก็ต้องเอากลับเ้าไปแช่ในตู้เย็นใหม่ให้มันเย็นแล้วก็เอาออมาดื่มใหม่จิตของนักปฏิบัติต้องเป็นอย่างนี้เวลาปฏิบัติยังไม่ยังไม่เย็นตลอดเวลานี้ต้องเอาคอยเอาเข้าตู้เย็นบ่อยๆเข้าไปนั่งสมาธิปั๊บออกมาก็เดินจงกรมแล้วก็รักษาความเย็นด้วยการควบคุมไม่ให้มันคิดถ้ารักษาถ้าควบคุมความคิดได้มันก็ยังเย็นอยู่ แต่ถ้าพอมันไปคิดแล้วเดี๋ยวมันจะเริ่มร้อนเพราะมันจะคิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วมันก็เคยชอบสิ่งนั้นสิ่งนี้มันก็จะเกิดความอยากขึ้นมากับสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือมันก็จะทำให้จิตต้อนขึ้นมาได้แต่ถ้าเราออกจากสมาธิมาแล้วเราอยากจะรักษาความเย็นต่อไปเราก็ใช้สติแต่ก็ใช้ไม่ได้ตลอดเพราะมันก็ต้องมีเผลอเผลอไปคิดเรื่องนั้น ค, คิดเรื่องนี้ ถ้ามันเริ่มหายเย็นแล้วก็รู้ว่าต้องกลับเข้าไปนั่งสมาธิใหม่ก็กลับเข้าไปใหม่ทําอย่างนี้ไปทั้งวันทั้งคืนเลยสำหรับนักปฏิบัติเพื่อที่จะรักษาความเย็นของใจให้ให้เป็นตลอดเวลาออกจากสมาธิก็เย็นพอพอไม่เย็นก็ต้องกลับเข้าไปในสมาธิใหม่ อันนี้ก็เป็นวิธีขั้นขั้นตอนของสติกำสมาธิที่จะทำให้ใจเย็นได้นานๆเย็นในขณะที่อยู่ในสมาธิแล้วก็เย็นขณะที่ออกมาจากสมาธิเวลาออกจากสมาธิมานี้มันจะเย็นได้ไม่นานเดี๋ยวมันก็ต้องเผลอคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ขึ้นมาพอคิดแล้วก็ร้อนขึ้นมาได้พอร้อนก็ต้องกลับเข้าไปในสมาธิใหม่ ถ้าเรายังไม่รู้จักใช้ปัญญาก็ต้องทำแบบนี้ไปในการรักษาอุเบกขารักษาความเย็นของใจแต่ถ้าเรามาหัดใช้ปัญญาเป็นเวลาใจร้อนเพราะความอยากเราก็ใช้ปัญญามาแก้ได้มองสิ่งที่เราอยากว่ามันเป็นดินน้ำลมไฟเป็นดินฟ้าอากาศไปอยากไม่ได้อยากเราจะต้องทุกข์จะต้องร้อนขึ้นมาเพราะไปควบคุมบังคับดินฟ้าอากาศไม่ได้ เราไปควบคุมคนนั้นคนนี้ไม่ได้เราไปควบคุมสิ่งสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ได้มันมีขึ้นมีลงมีเกิดมีดับไปตามธรรมชาติของมันเหมือนเหมือนพระอาทิตย์เนี่ยมีเกิดมีดับมีขึ้นมีลงราบยศสรรเสริญที่เราไปอยากก็เหมือนกันไปอยากให้มันขึ้นอย่างเดียวมันก็ไม่ได้เดี๋ยวถึงเวลามันลงมันก็ลงใช่ไหมลาบก็คือรายได้เงินทองก็ขึ้นอยู่กับภาวะเศร ษ, ษฐกิจ เศรษฐกิจดีก็เงินก็มาเยอะเศรษฐกิจไม่ดีเงินก็ไม่ไม่มาหรือมาน้อยหรือค้าขายไม่ดีขาดทุนรายได้น้อยกว่ารายจ่ายมันก็เป็นเรื่องของรินฟ้าอากาศให้มองอย่างนั้นแล้วเราก็จะได้ไม่ไปทุกข์กับมันใจเราก็จะได้ไม่ร้อนกับมัน ถ้าเรามองทุกอย่างว่ามีขึ้นมีลงเราก็จะไม่อยากไปยุ่งกับมันไม่มีมันดีกว่าอยู่กับอุเบกขาดีกว่าก็อยู่กับอุเบกข า, า, อ, ยก อ, าอยู่กับความสงบนี้มันก็เป็นความสุขที่ดีกว่าอยู่แล้วแต่เราไม่มีปัญญาเปรียบเทียบเราก็ยังคิดว่าถ้ามีเงินก็ยังดีอยู่ถึงม้นั่งสมาธิได้แต่พออยอากสมาธิมาความอยาก ดื่มกาแฟความอยากกินขนมมันก็มาความอยากจะไปเที่ยวที่นั่นที่นี่มันก็มาถ้ามันมีเงินมันก็จะไปพอมันใช้เงินมันก็ต้องไปกังวลกับเรื่องเงินก็อยากจะให้มีแต่เงินมาเยอะๆไม่อยากจะให้มีเงินหมดมันก็จะทำให้กังวลกับเรื่องเงินได้ไม่สบายใจกับเรื่องเงินได้ ถ้าไม่อยากจะมีความไม่สบายใจกันเรื่องเงินก็อย่าไปใช้เงินเสียก็หมดเรื่องทุกครั้งอยากจะหาความสุขก็มานั่งสมาธิแทนแทนที่จะเอาเงินไปซื้อความสุขต่างๆก็เลิกใช้เงินใช้สมาธิแทนหาความสุขจากการนั่งสมาธิไปหาความสุขจากการอยู่เฉยๆไม่ทำตามความอยากถ้าเรา ฝืนความอยากได้หยุดความอยากได้ต่อไปความอยากก็จะไม่มาทำให้ใจเราร้อนไม่มาทำให้ใจเราหิวไม่มาทำให้ใจเราอยากใจเราก็จะอยู่เฉยๆโดยที่ไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องทำอะไรแต่มีความสุขมากกว่าที่เราไปทำอะไรมีอะไรเสียอีกนี่คือระดับปัญญาต้องเห็นว่าความสุขที่แท้จริงคือความสงบ ความสุขที่ได้จากสมาธินี้เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงเวลามีความอยากจะได้ความสุขจากสิ่งอย่างอื่นต้องบอกแล้วว่ากำลังไปหาความสุขปลอมเพราะความสุขที่ได้มามันเป็นความสุขชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวมันต้องหมดไปพอมันหมดไปแล้วความทุกข์ก็จะเข้ามาทันทีต้องใช้ปัญญาถึงจะหยุดความอยากได้ ถ้าเราหยุดความอยากได้ใจเราก็จะกลับไปสู่อุเบกขาทันทีใจเราก็จะนิ่งสงบจะมีความสุขโดยที่ไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องมีอะไรอันนี้คือระดับปัญญาถ้าเราเข้าสู่ระดับปัญญาได้เราไม่ต้องใช้สติประครับประคองใจแล้วถ้าเรากําจัดความอยากให้หมดไปจากใจได้เราไม่ต้องละเราไม่ต้องประครับประคองใจด้วยอะไรทั้งสิ้น เพราะใจไม่มีไม่มีมมโทษแล้วไม่มีตัวสร้างปัญหาแล้วตัวสร้างปัญหาก็คือความอยากของเราเนี่ยพอไม่มีความอยากแล้วมันก็ไม่รู้จะไปมีปัญหาอะไรกับใครปัญหามันเกิดจากมีความอยากพอมีความอยากกับคนนั้นสิ่งนั้นมันก็ไปเป็นปัญหากับคนนั้นสิ่งนั้นทันทีอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็ต้องไปเป็นปัญหากับเขา ต้องไปกำจัดเขาต้องไปจัดการเขาให้เป็นไปตามความอยากของเราอันนี้แหละคือทาให้เราต้องวุ่นวายกันทำให้เราต้องทุกข์กันต้องสร้างเวรสร้างกรรมกันก็เพราะเราหยุดความอยากของเราไม่ได้อยากให้เขาดีกับเราพอเขาไม่ดีกับเราก็โกรธเขาโกรธเขาแล้วก็ไปว่าเขาไปด่าเขาพอไปด่าเขาว่าเข า, เขาก็ด่าเราว่าเรากลับมาเราก็ยิ่งโกรธใหญ่เราก็เลยไปตีเขา พอตีเขาเขาก็กลับมาตีเราตีเราเราก็ไปเลยไปฆ่าเขาแล้วทีนี้มันก็เนี่ยเป็นการก่อเวรก่อกรรมกันขึ้นมาเพราะความอยากของเราอยากอยากแล้วไม่ได้ดังใจอยากก็โกรธพอโกรธก็ต้องไปทำร้ายสิ่งที่เราโกรธบุคคลที่เราโกรธพอเราไปทำร้ายเขาเขาก็กลับมาทำร้ายเรามันก็เลยกลายเป็นสงครามขึ้นมา เขาเรียก้ำผึ้งหยดเดียวกลายเป็นสงฆามขึ้นมาได้อันนี้พอใจของเราไม่มีอุเบกขากันใจเราไม่นิ่งไม่เฉยพอเห็นอะไรแล้วเกิดความรักเกิดความชังขึ้นมาพอเกิดรักชังกลัวหลงก็ต้องไปจัดการกับสิ่งที่เราไปรักไปชังไปกลัวไปหลงถ้ารักก็ต้องเอามาครอบครองไห้ได้จนไปรักลูกสาวใครก็ต้องไปขอแล้วะ ถ้าไม่ขอมาพ่อแม่ไม่ให้ก็ต้องหาวิธีขู่เข็นบังคับอเออคียวเข็นบังคับอะไรทั้งอย่างถ้าไม่ให้ก็ฆ่ามันเลยฆ่าพ่อฆ่าแม่มันเอาลูกมันมามถ้าเป็นคน ม, มนีอํำนาจสมัยโบราณเขาก็ทำกันอย่างนั้นถ้าลักอะไรก็ทำํำถ้าชางอะไรก็ฆ่ามันเหมือนกันชางอไอนั้นไอ้นี่ก็ช่างฆ่ามันกลัวก็เหมือนกลัวอะไรก็ต้องฆ่ามันไว้ก่อนกําจัดมันก่อน กลัวมดกลัวแมลงก็ฆ่า ม, มดฆ่ า, มมาแมลงกันหลงก็หลงก็ก็ไปทำสิ่งที่เราหลงหลงคิดว่ามันเป็นความสุขก็ไปหามาหามาแล้วก็แทนที่จะได้ความสุขก็เจอวามสุรคเองนี่คือเรื่องของจิตที่ไม่เป็นกลางไม่มีอุเบกขาทำให้ต้องไปก่อเวรก่อกรรมทำให้เกิดความอยากต่างๆขึ้นมา ทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาพอใจเกิดความอยากขึ้นมานี่ใจมันเริ่มสัมันเริ่มสั่นเห็นไหมคนที่ติดยาเสพติดนี่พอเวลาอยากเสพแล้วไม่ได้เสพยาเป็นไงมือไม้สั่นใจสั่นไปทั้งตัวเพราอใจมันสั่นพอมันติดพอมันอยากแล้วใจมันจะสั่นขึ้นมาทันทีนแต่ถ้ามันไม่อยากใจัไม่สั่นย่ตอนนี้พวเราเรานั่งอยู่นี้ไม่สั่นเลยเพราะอะไร พอตอนนี้ไม่อยากเลยไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรไม่อยากเป็นอะไรนั่งเฉยๆฟังเทศได้แต่จะนั่งได้นานสักเท่าไหร่นั้นแหละถ้าเทศสักชั่วโมงสองชั่วโมงเดี๋ยวเริ่มสั่นกันแนละ้วเริ่มอยากจะลุกกันนะถ้าลองแก้งพูดไปสักสองาชั่วโมงนี้เชื่อไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเราตั่งคนเดียวเนี่ย <c ười> ไม่มีใครนั่งฟังเนะี่ยพอใจมันเริ่มสั่นลนะมันเริ่มอยากจะลุกลนะเริ่มอยากจะพยายานู่นทํานี่ลนะ ทำให้นั่งอยู่ต่อไปไม่ได้แต่ถ้าพวกที่มีสมาธิเขาก็พุทโธพุทโธนั่งฟังต่อไปได้ก็คุมใจไม่ให้สั่นได้ถ้ามีสติก็ควบคุมใจได้พุทโธพุทโธไปเรื่อยๆอยืตั้งใจฟังเทศไปเรื่อยๆถ้าฟังไปแล้วเข้าใจก็เกิดความเพลิดเพลินเกิดความสุข เ, เกิดความฉลาดก็แทนที่จะอยากจะไปไหนกับไม่อยากไปแล้วอยากจะฟังไปเรื่อยๆ ก็ไม่สั่นอันนี้คือยกตัวอย่างให้ฟังเรื่องเรื่องของปัญหาของเราอยู่ที่ความอยากของเราตัวเดียวนี่แหละพอมันอยากแล้วมันจะทำให้เราใจสั่นเนื้อทารที่เราจะมาแก้ที่ต้นเหตุที่ทำให้ใจสั่นเรากลับไปแก้ที่ที่อื่นมันก็เลยแก้ไม่จบสัทีพออยากได้กระเป๋าใจสั่นมือไม้สั่นก็เลยต้องไปซื้อกระเป๋ามาให้ได้พอซื้อมามันก็หายสั่นชั่วคราว เดี๋ยวเจอใบใหม่ขึ้นมาก็สั่นขึ้นมาหมเดีย๋ยวมันก็เลยซื้อเต็มบ้านเลยนะมีกระเป๋าเต็มบ้านเลยเ <laughs> พราะมันสันะ่นไงเพราะเหตุนั้นถ้ามันสั่นก็จะต้องแก้โดยการไปซื้อมาแทนที่จะมาแก้ที่ความอยากถ้าหยุดความอยากได้มีกระเป๋าม่เดียวก็พอกระเป๋ามันก็เป็นกระเป๋าใช่ไม ยี่ห้อไหนจะรูปแบบไหนมันก็เป็นกระเป๋าเอาไว้ใส่ของหิ้วของนั้นเถึงบอกว่าใช้กระเป๋าพลาสติกนี่สบายกว่าจะเปลี่ยนเมื่อไหร่ก็เปลี่ยนได้มีหลากหลายยี่ห้อมีเทสโก้มีโลตสมีทอปมีเซ็นทรัมีอะไรมีจิฟฟี่อะไรเนี่ยเราเห็นยี่ห้อกระเป๋าที่ญาติยมใส่ของมาให้ นี่เขใช้ใช้ใส่ของได้เหมือนกันอขิวไปไหนมาไหนได้เหมือนกันอบางทีดีเสอไม่เปียกน้ําเปียกฝนอนี่ยถุงพลาสติกนี่เจอน้ําก็ไม่เปียกของดีกับกับไม่ชอบของของดีของถูกกับไม่ชอบชอบของไม่ดีของแพงชอบอต้องเสียเงินเยอะๆถึงเรียกว่าของดี นี่นคือความอยากมันมันอยากแล้วใจมันสัน่นแทนที่จะหยุดความอยากกลับไปทําตามความอยากเพื่อให้หายสัน่นมันก็หายชั่วคราวแต่ความอยากไม่หายเดี๋ยวพอมันเห็นของใหม่มันก็อยากขึ้นมาใหม่วิธีแก้ก็คือมาฝึกนั่งสมาธิกันดีกว่าฝึกนั่งสมาธิแล้วความอยากจะน้อยลงไปเบาลงไปและเวลาเห็นอะไรก็เฉยๆได้นไม่สัน่นนะ มันจะสวยขนาดไหนก็ถามนั้นแ่ะถ้าใช้เหตุผลน่ะมันก็กระเป๋าเหมือนกันไว้ใส่ของเหมือนกันใบที่เรามีอยู่นี้มันก็ใช้ได้อยู่แล้วมันก็ดีอยู่แล้วทำไมต้องไปเอาอีกใบมาทำไมเอามาก็เป็นภาระเดี๋ยวต้องย้ายของจากกระเป๋าเก่าไปใส่กระเป๋าใหม่อกีก <c oughs> มีหลายใบ ย, ยิ่งลำบากอย่างเวลาจะใช้แต่ละใบก็ต้องย้ายของไปเรื่อยสู้ใช้ใบเดียวดีกว่าไม่ต้องย้ายให้มันเสียเวลา เวลาขายของใหม่มาเราไม่อยากจะได้เพราะมันต้องทําให้เราต้องมาเดือดร้อนกับต้องเลิกใช้ของเก่าเได้มีมือถือเก่าใช้ได้ดีอยู่แล้วเดี๋ยวคนให้มือถือใหม่เดี๋ยวก็เดือดร้อนเดี๋ยวต้องย้ายซิมย้ายอะไรย้ายที่อยู่ย้ายเบอร์อะไรกันวุ่นไปหมดนใช้ของเก่าได้ใช้ไปสบายเราไม่ได้อยู่ที่ความสวยงามเราอยู่ที่อยู่ที่เหตุผลอยู่ที่การใช้งาน อันไหนที่ใช้งานสะดวกดีแล้วไปเปลี่ยนมันทาไมอานอกจากมันเสียใช้ไม่ได้แล้วนะ่มันถูกบังคับก็ต้องเปลี่ยนแต่ถ้ายัางใช้ของเก่ายัางใช้ได้ดีอยู่ไปเปลี่ยนทำไม เ, เปลี่ยนก็ต้องต้องก็ต้องย้ายข้าวย้ายของย้ายอะไรต่างๆจากใบเก่าไปสู่ใบใหม่จากของเก่าไปสู่ของใหม่กลายเป็นเรื่องเป็นภาระขึ้นมาเปล่า ถ้าใจมันเป็นอุเบกขาแล้วมันจะไม่ค่อยอยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรพอใจกับของที่มีอยู่ตราดายที่มันยังใช้ได้อยู่ก็อยู่กับมันไปใช้กับมันไปมีความสุขกับการใช้ของเก่าไม่ได้มีความตื่นเต้นยินดีกับการได้ของใหม่มาเลยเวลาได้ของใหม่มาแทนที่จะดีใจกับการทุกข์ใจเพราะยุ่งอีกแล้วต้องย้ายข้าวย้ายของอีกแล้ว อ่าจริงๆนี่คือเรื่องจริงนะเราลองทําใจให้สงบทําใจให้มีอุบเบกขาแล้วมันจะไม่ก็อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรความรักความชังความกลัวความหลงมันจะน้อยลงไปแล้วหมดไปถ้าเราสามารถมีอุบเบกขาได้เต็มที่ตลอดเวลานี่คือสิ่งที่เราควรที่จะมาทํากันควรที่จะมาหากันมาหาอุบเบกขาในใจของเราเถิด ถ้าได้อุเบกขาแล้วใจเราจะมีความสุขมากใจเราจะไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงกับอะไรทุกวันนี้ยิ่งมีมากยิ่งกลัวกันกลัวจะเสียมากมีมากก็ยิ่งมีเรื่องที่จะต้องให้กลัวมากเดี๋ยวกลัวกลัวคนนั้นจะหายไปกลัวสิ่งนี้จะหายไปกลัวคนนั้นจะเป็นอะไรไปมันจะเพิ่มความกลัวให้มากขึ้นไปด้วยปริมาณของของที่เรามี มีเพิ่มมากขึ้นเราก็รักของมากขึ้นห่วงมากขึ้นห่วงมากขึ้นทุกมากขึ้นถ้าไม่มีมันก็ไม่มีเราจะให้ทุกข์ให้กังวลด้วยแล้วสิ่งที่มีก็ไม่ห่วงไม่กลัวเพราะรู้ว่ามันเป็นธรรมดาเช่ร่างกายเนี่ยอย่างคนที่มาบวชนี่เขาสละไปเกือบหมดแล้วเหลืออย่างเดียวที่เา้ายังสละยังต้องมียัอ ง, อยงอยู่ติดกับใจเขาอยู่ก็คือร่างกายนี้นักบวชนี่สละ ครอบครัวไปแล้วสละลูกสามีภรรยาไปละสละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองไปแล้วสละยศตำแหน่งอะไรต่างๆไปละสละความสรรเสริญเยินยอไปแล้วสะละรูปเสียงกลิ่นรสก็เหลือแต่ร่างกายร่างกายก็ต้องสละก็ต้องปล่อยเหมือนกันก็ต้องพิจารณาว่ามันก็มีมีเกิดแล้วก็ต้องมีตายเหมือนกันพอพิจารณาเห็นแล้วก็ ปล่อยได้ก็ไม่มีอะไรจะต้องมากังวลอีกต่อไปอยู่อย่างสบายไม่มีอะไรต้องให้รักต้องจังต้องกลัวต้องหลงไม่เดือดร้อนอะไรจะเป็นอะไรใครจะเป็นอะไรอะไรจะเกิดขึ้นอะไรจะไม่เกิดขึ้นก็เป็นเรื่องของธรรมชาติไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างนี้เป็นเป็นธรรมชาติไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีเราไม่มีเขา จิตเรามาสมมติกันขึ้นมาเองเหมือนกันเด็กเอาก้อนหินมาเล่นกันแล้วก็สมมติว่าก้อนหินนี่เป็นเพชรก <c oughs> ้อนหินนี่เป็นพลอยแล้วก็ไปแย่งกันเห็นไหมเด็กมันก็เป็นแค่ก้อนหินของทุกอย่างที่เรามาแย่งกันนี่มันก็มาจากดินน้ําลมไฟนะเป็นธาตุดินบ้างเป็นธาตุน้ําบ้างเป็นธาตุลมบ้างเป็นธาตุไฟบ้างบางอย่างก็มีหลายอย่างผาสมกันเช่นน้ำหมัดลมนี่ก็มีสามธาตุแล้วเห็นไห มีธาตุดินก็คือขวดมีธาตุน้ำก็คือน้ำมีธาตุลมก็คือลมที่อัดเข้าไปในน้ำที่เวลาดื่มมันทำให้มันรู้สึกซาธาตุลมเนี่ยเราก็เล่นกับธาตุต่างๆไปนั่นเองเล่นแล้วก็ติดไปยึดไปอยากอยากจะให้มันมีอยู่เรื่อยๆพอเวลาไม่มีมันก็เลยเหงาเว้าเศร้าว้าเหว้ขึ้นมาหรือมือไม้สั่นใจสั่นไป ถ้าเป็นธาตุที่รุนแรงเช่นธาตุของยาเสพติดธาตุของบุหรี่เนี่ยคนที่สูบบุหรี่นี่ยพอไม่ได้สูบบุหรีน่นี่มือไม้สัน่นหรือธาตุของน้ำสุราก็เหมือนกันพอไม่ได้ดื่มสุราเดี๋ยวมือไม้ก็สัน่นเพราะว่าหยุดความอยากไม่ได้เพราอมันอยากแล้วมันมันจะมาเป็นละลอกเหมือนกับคลื่นในน้ําในทะเลเนี่ยคลื่นมันจะไหลเข้ามาเป็นละลอกละลอก ความอยากของเรานี่มันก็มาเป็นระลอกระลอกอยากเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวก็อยากเรื่องนั้นต่ออยากเรื่องนั้นต่อก็่อยากเรื่องนู้นต่อแล้วก็กลับมาอยากเรื่องนี้ใหม่ก็กลับมากลับมากลับไปอยู่อยางเงี้ยอยากไปเรื่อยๆแล้วก็ต้องทำตามความอยากถึงจะทำให้ใจเป็นปกติสุขพอไม่ได้ทำตามทตามความอยากปั๊บใจก็สั่นขึ้นมาทันทีเราต้องหยุดความอยากเหล่านี้ด้วยการฝึกสมาธิกัน ทำใจให้สงบทําใจให้เป็นอุเบกขาแล้วความอยากมันจะหยุดชั่วคราวพอออกจากสมาธิมาถ้าอยากจะหยุดความอยากอย่างถาวรก็ต้องใช้ปัญญาสอนว่าการไปทําตามความอยากนี่มันไม่ได้เป็นการยุติความอยากมันมีแต่จะทําให้ความอยากมันมีมาเรื่อยๆการที่จะหยุดความอยากไม่ให้ความอยากกลับมาอีกก็อย่าไปทาตามความอยากตั้งแต่บัดนี้ไปมันอยากจะซื้อกระเป๋าก็อย่าไปซื้อมัน ถ้าจะซื้อก็ไม่ได้ซื้อด้วยความอยากต้องซื้อด้วยเหตุผลเช่นไปทํางานบริษัทใหม่บริษัทก็บังคับว่าต้องใช้กระเป๋าแบบนี้ อ, อย่างนี้ก็ต้องซื้อใหม่หรือไปทํางานกับบริษัทนี้ก็บังคับให้ใส่เครื่องแบบแบบนี้สีนี้ก็ต้องไปตัดมาใส่ถ้าถ้าถ้าซื้อหรือไปหามาด้วยด้วยเหตุผลนี้ไม่ถือว่าเป็นความอยากเพราะมันได้มาแล้วมันก็หมดพอได้ชุดนี้มาแล้วมัน ได้เครื่องแบบแล้วมันก็ไม่มีความอยากจะได้เครื่องแบบอีกแล้วเพราะมันมันไม่มีเหตุผลที่จะทําให้อยากได้แต่ถ้าซื้ออะไรตามความอยากนี่ได้มาเท่าไหร่ก็ยังอยากได้ใหม่อยู่นั่นเพราะมันจะมีของใหม่มาหลอกว่าดีกว่าของเก่าสวยกว่าของเก่ามันก็อยากได้ขึ้นมาแล้วพอไม่ได้ทําตามความอยากใจก็สัน่นมือไม้ก็สัน่นไม่มีความสุขทั้งๆที่มี ข้าวของที่ซื้อมาตามความอยากล้นบ้านล้นช่องแต่พอไม่ได้ตัวนี้มาชิ้นเดียวอันนี้สั่นละไอของต่างๆที่หามาได้ถ้าเป็นแทบตายเต็มบ้านล้นบ้านไม่สามารถมาระงับความสั่นได้เลย <c oughs> นี่นะง <c oughs> เราต้องฝืนมันต้องสู้มันมันอยากเราก็อยากไปซื้อมาถ้าไม่จำเป็น่าต้องซื้อถ้าจาเป็นก็ไม่เป็นความอยากซื้อได้ <c oughs> แล้วต่อไปความอยากมันจะหมดฤทธ มันจะไม่สามารถที่จะมาทำให้ใจเราสัน่นไม่สามารถทำให้เรามือไม้สั่นได้เราจะอยู่เฉยๆอย่างมีความสุขนี่แหละคือสิ่งที่เราจะไม่รู้กันถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเนคนที่ไม่ได้เข้าวัดไม่รู้ไม่รู้คำสอนของท่าเจ้านี้จะต้องอยู่ภายใต้อานาจของความอยากไปตลอดเป็นทาตของความอยากได้มาเท่าไหร่ก็ไม่พอ ได้มาเท่าไหร่ก็ยังไม่พ้นจากความทุกข์ความผิดหวังความเสียใจเพราะถ้าไปอยากข้าวหน้าแล้วไม่ได้ดังใจอยากก็ผิดหวังแล้วเสียใจขึ้นมาทั้งๆ ท, ที่ได้อะไรมาเป็นร้อยเป็นพันครั้งแล้วแต่พอไม่ได้มาสักครั้งเดียวนี้ก็เสียใจอาจจะทำให้ถึงกับฆ่าตัวตายก็มีบางคนคนที่ไม่เคยเสียใจไม่เคยผิดหวังเลยเนี่ยพอมาผิดหวังสักครั้งหนึ่งีิรับไม่ได้อาจจะอยากจะฆ่าตัวตายขึ้นมาเลย นี่คือเบื้องของใจของพวกเรานะเวลามันผิดหวังเวลามันทุกข์นี่มันจะแผงลงฤทนะมันจะทำให้เรานี่โอ้โหกินไม่ได้นอนไม่หลับแต่ถ้าเรารู้สาเหตุว่ามันเกิดจากความอยากแล้ววิธีที่จะแก้ก็คือทำใจให้สงบเบืเ้องต้นก็ทำใจให้สงบก่อนให้มันเป็นอุบเบกขาก่อนพุโทโธพุโทโธไปเวลาทุกข์แล้วไม่รู้จะแก้ยังไงก็เอาพุโทโธมาแก้ก่อน พุทธพุโทโธพุโทโธไปอย่าไปคิดอะไรถ้าพุโทโธได้สักสินาทีเนี่ยใจก็จะเบาใจจะสบายขึ้นมาพอเบาสบายแล้วก็มานั่งวิเคราะห์ว่าเราอยากอะไรเราอยากได้อะไรแล้วเราอยากแล้วมันจะทําให้เราพ้นจากความอยากหรือเปล่าหรือว่าอยากแล้วเดี๋ยวมันก็ทําให้เราอยากใหม่ขึ้นมาอีกเช่นอยากสูบบุหรี่อย่างนี้ถ้าอยากสูบบุหรี่ข้าวหนะน้าสูบอีกมวนนึงแล้ว ความอยากจะหมดไปหรือเปล่าถ้าความอยากหมดก็สูบเลยเอาให้สูบทั้งซองเลยก็ได้อย่าว่าแต่มวลหนึ่งถ้าสูบซองนี้เป็นซองสุดท้ายแล้วจะไม่อยากสูบอีกต่อไปสูบไปเลยดูซิว่ามันจะหมดไหมพอมันหมดซองแล้วมันความอยากหมดไหไม่หมดอะอยากขึ้นมาใหม่แลง้วก็อยากไปสูบมันถ้ายิงสูบมันก็ต้องไปสูบไปเรื่อยๆจนมันตายหรือสูบไปกระทั่งมันตายนั้นเราต้องหยุดมัน หยุดนั้นก็เห็นยำลำบากก็เฉยๆนั่งเฉยๆไปถ้ามันมือไม้สัน่นใจสัน่นก็พุทโธพุทโธสู้กับมันไปใช้พุทโธช่วยได้ถ้ามือไม้สัน่นใจสัน่นแล้วก็พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปอย่างไรเดี๋ยวมันก็จะหายสัน่นแล้วก็จะทําให้เราฝืนความอยากได้ไม่ต้องทําตามความอยากแล้วต่อไปความอยากจะดื่มจะสูบบุหรี่ก็จะหายไปไม่ต้องสูบอีกต่อไป ทุกอย่างเหมือนกันหมดความอยากทุกอย่างเหมือนกันหมดเราเลิกได้พอเราเลิกแล้วต่อไปมันจะไม่มายุ่งกับเราอีกต่อไปอยากซื้อรองเท้าอยากซื้อเสื้อผ้าอยากซื้อกระเป๋าอยากถ่ายรูปมันจะหายไปหมดเลยเอาอยากถ่ายรูปสักพังดูดูมันจะตายไหม <c oughs> แต่ละคนยุคนี้ต้องถ่ายทุกวัน <c oughs> ถ่ายทุกเช้าเข้าห้องน้ำก็ถ่าย <c oughs> <c oughs> ล่างหน้าก็ถ่ายถ่ายเสร็จก็ส่งไว้ให้เพื่อนดูอันไหนไม่ได้ถ่ายแล้วมือไม้สั่นไปหมดใจสั่นไปหมดนเนี่ยเรากําลังทําตามความอยากกันแล้วเดี๋ยวเราจะต้องใช้หนี้ในเวลาที่เราไม่สามารถทําตามความอยากได้เราจะสั่นมือไม้จะสั่นใจจะสั่นจะกินไม่ได้นอนไม่หลับจะเศร้าซ้อยงอยเหงาว้าเว คนที่ซึมเศร้านี่ก็เพราะว่าไม่สามารถทําตามความอยากได้เช่นคนแก่คนพิการเนี่ยมักจะซึมเศร้าเพราะเขาไม่สามารถทําสิ่งที่เขาเคยทําได้เคยเที่ยวเคยกระโดดโลดเต้นเคยไปไหนมาไหนได้พอแก่แล้วไปไม่ได้ซึมเศร้าเป็นอามาพอามภะไม่สบายทําอะไรไม่ได้ความซึมเศร้ามันจะมาแต่คนที่พุโทโธเป็นคนที่ ทำใจให้เป็นอุเบกขาเป็นจะจะล่าเริงเบิกบานยิ้มแย้มแจ่ ม, มใสจะไม่มีอาการซึมเศร้าเพราะมีความสุขสามารถมีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องใช้ความอยากเป็นเครื่องมือหาความสุขให้อยู่กับความไม่มีความอยากสบายกว่าจะมีความสุขไปตลอดเวลาถ้าอยู่กับความอยากนี้ถ้าอยากก็ไม่ได้ก็จะทุกข์ ถ้าได้ก็สุขเดี๋ยวเดียวสุขแล้วเดี๋ยวก็อยากได้อย่างใหม่ต่ออยากกินกินเสร็จก็อยากไปดูหนังต่ออยากดูหนังต่อก็อยากจะไปเต้นราต่อมันก็อยากไปเรื่ อ, <c oughs> <c oughs> อยๆดงนั้นขอให้เรามาหยุดความอยากกันเถิดมาทำใจให้ไม่มีความอยากให้ทำใจให้เป็นกลางไม่มีความรักไม่มีความชังไม่มีความกลัวไม่มีความหลงกับอะไรแล้วเราจะอยู่อย่างสุขอย่างสบาย เพราะไม่มีอะไรน่ากลัวของทุกอย่างมันเป็นของมันอย่างนี้ธรรมชาติมีเกิดมีดับพอเราไปยึดไปไปหลงไปเรียกว่าเป็นของเราขึ้นมามันก็เลยอยากจะให้มันอยู่กับเราไปตลอดท่านั้นเองก็เลยทำให้เรากลัวกลัวว่ามันจะดับความจริงมันต้องดับอยู่แล้วทุกอย่างที่เกิดขึ้นมามันต้องดับเพราะมันเป็นธรรมชาติอนัตตาแปลว่าธรรมชาติไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเรา แต่เราโง่ไปคิดว่าเป็นตัวเราเป็นของเราพอเป็นตัวเราของเราเราก็เลยอยากให้มันไม่ดับเราก็เลยกลัวความดับกันกลัวมันจะดับกันพอเห็นอะไรที่มาทําให้มันดับก็เลยกลัวมันแต่ถ้าเรามีปัญญามีธรรมะแล้วเราจะไม่กลัวอะไรแล้วเรามีอุเบกขาใจเราก็จะเฉยไม่ไม่ไม่มีความรักความชางังความกลัวความหลง ก็ขอให้เรามาหาธรรมะกันดีกว่าหาอุเบกขาหาปัญญาหาสติหาปัญญากันถ้ามีสติมีปัญญาแล้วใจจะเป็นอุเบกขาตลอดเวลาใจจะไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงกับอะไรทั้งนั้นอะไรจะเกิดขึ้นรับได้หมดร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็รับได้ร่างกายของเราก็รับได้ร่างกายของคนอื่นก็รับได้ เป็นเหมือนกันหมดร่างกายของพวกเราทุกคนเป็นธรรมชาติมาจากดินน้าลมไฟเป็นดินน้าลมไฟมารวมกันเป็นอาการสามสิบสองแล้วเดี๋ยวสักวันหนึ่งมันก็ต้องแยกทางกันไปดินก็ไปสู่ดินน้ำก็ไปสู่น้ำลมก็ไปสู่ลมไฟก็ไปสู่ไฟ <c oughs> ไม่มีอะไรเป็นของเราเลยมีใจดวงเดียวเท่านั้นนะที่เป็นของเราที่จะอยู่กับเราไปตลอด ถ้าไม่มีสติไม่มีปัญญาก็จะมีแต่ความทุกข์อยู่ในใจถ้ามีสติมีปัญญาก็จะมีแต่ความสุขอยู่ในใจใจของพระพุทธเจ้าใจของพระสาวกนี่มีแต่สติปัญญาจึงมีแต่ความสุขอยู่ตลอดเวลาใจของพวกเรานี้ไม่มีสติไม่มีปัญญากันมีก็มีน้อยใจของเรายังต้องมีความทุกข์กันอยู่ร่างกายนี้ตายไปใจก็ยังทุกต่อไปใจก็ยังจะกลับมาทุกข์ใหม่ กลับมาเกิดใหม่ <c oughs> เพราะยังมีความอยากอยู่ยังอยากสู่ผรี <c oughs> ชาติหน้ากลับมาก็สู่ผรีตต่ออยากอยากกินเหล้าชาติหน้ากลับมาเกิดก็กลับมากินเหล้าต่ออยากเที่ยวชาติหน้ากลับมาเกิดก็กลับมาเที่ยวต่ออยากนั่งสมาธิชาติหน้ากลับมาเกิดก็กลับมานั่งสมาธิต่อแต่ถ้านั่งสมาธิได้เต็มร้อยแล้วก็ไม่ต้องกลับมาเกิดเพราะว่ามัน ถ้ามันมีความสงบเต็มร้อยมีความอิ่มเต็มร้อยมันก็ไม่อยากจะเกิดมันก็ไม่อยากจะได้อะไรไม่อยากจะกลับมาเกิดมันก็ไม่เกิดอีกต่อไปเรื่องของใจเราก็มีแค่เนี้ยอยู่ที่ว่ายังยังจะเกิดหรือไม่เกิดถ้าเกิดก็เพราะยังมีความอยากถ้าไม่มีความอยากแล้วก็จะไม่มีการเกิดไม่เกิดก็ไม่มีการแก่ไม่มีการเจ็บไม่มีการตายไม่มีความทุกข์ที่เกิดจากไม่ได้ทําตามความอยาก ขอให้พวกเราจงพยายามเอาธรรมะที่พระเจ้าทรงสอนนี้มาปฏิบัติกันให้ได้มาสร้างสติกันด้วยการพุทโธพุทโธทําใจให้เป็นอุเบกขาแล้วพอใจเกิดความอยากก็บอกว่าต่อไปนี้ไม่ทําตามความอยากแล้วต้องการกําจัดความอยากต้องการหยุดความอยากถ้าหยุดได้แล้วต่อไปก็จะไม่มีความอยากมารบกวนใจอีกต่อไป การแสดงก็พอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้ผ่อนยะทาวาเรวาหาปุราปาริปุเรนติสากลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานาังอุปกัปะติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิดปปเมวะสมิจจโตสาเพปุเรนตุสังกปา จันโทปัณะระาโสยะธาเมณิโจติหบาโสยะธาสัพพิตโยวิวาจันโตสัพพารโควินาศตุมาเตภวตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสานิจังวุทธาปจายิโน จตารโหธมาวทานติอายุวโนสุข mm ังภาลัง <this feeling> ขณะถ้าสงบนยในขณะที่นั่งสมาธิยังไม่ควรดูอะไรควรให้ออกจากความสงบก่อนเวลานั่งสมาธิแล้วจิตนิ่งสงบนี้ควรจะให้มันนิ่งเฉยๆไม่ควรให้มันทำอะไรไม่ให้มันให้มันถอนออกมาจากสมาธิก่อนอย่างตอนนี้อยากจะดูร่างกายมาเนี่ยดูได้นึกอยู่บ่อยๆคิดอยู่บ่อยๆคิดถึงภาพของร่างกายคิดถึงโครงกระดูกของร่างกาย คิดถึงอะไรเนี่ยต้องดูตอนที่อยู่ออกจากสมาธิแล้วแย่ไปทำในตอนที่นั่งสมาธิว่าจะทำลายสมาธิ <Okay. S 1> เวลาสมาธิเราต้องการให้มันิ่งเหมือนคนนอนหลับอย่าไปปลุกขึ้นมาทำงานปล่อยให้เขานอนให้พอก่อนเราก็ตื่นขึ้นมาแล้วค่อยใช้เขาไปทำงานต่อจิตนี้เหมือนเหมือนร่างกายเวลาพักผ่อนหลับนอนเราไม่ไปใช้ร่างกายทำงานเราให้ร่างกายพักให้พอก่อนจะได้มีกาลังได้ทางานเต็มที่ พอออาจากพอตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยถึงบอกอ้าวไปไปทํางานพอจิตออกจากสมาธิมาแล้วพิจารณาร่างกายเลยดูอาการสามสิบสองไปเลยอย่างเงี้ยได้ดูไปทั้งโครงเลยจะได้ยังยังไงก็ได้แล้วแต่เราขอให้มันเห็นมางคนที่ไหลให้มองให้มันเห็นไอ้ของที่ไม่เห็นอ่ะไปเห็นไอ้ของที่เห็นมันก็เลยทาให้หลงเหมือกันถ้าไปเห็นไอ้ของที่ไม่เห็นมันจะหายหลงใช่ไหม เห็นโครงกระดูกเห็นกระโหลกศีรษะเนี่ยมันจะหายหลงมันไม่เห็นเลยมัน่เห็นจากคิ้วเห็นแต่จมูกเห็นแต่ปากนะแล้วก็ลหลงไหลคลั่งคล้ายกันแต่ถ้าเห็นเป็นแค่หนังครอบกระโหลกศีรษะเที่นั่นมันก็จะได้อ๋อหายหายหลงเนี่ยหน้าเรานี่เป็นเหมือนหน้ากา ก, ากยางครอบไว้ครอบกระโหลกศีรษะไว้แค่นี้พอถอดหน้ากา ก, ากยางออกมันก็เหลือแต่กระโหลกศีรษะ ไปเปิดภาพดูกระโหลกศีรษะบ่อยๆแล้วนึกถึงภาพเวลาที่เห็นหน้าใครก็นึกถึงกะโหลกศีรษะที่อยู่ข้างใต้หน้ากากานี่เป็นไงยังมีคำถามไหมรับว่าไม่รครับนะถ้ายังหยุดความอยากไม่ได้ก็แสดงว่าไม่มีกำลังรู้แล้วว่าความอยากไม่ดี แต่ยังหยุดไม่ได้ก็ต้องมาหยุดมันด้วยสมาธิมาฝึกนั่งสมาธิให้มากๆแล้วต่อไปเวลาอยากได้อะไรพอรู้ว่าไม่ดีอย่าไปอยากเราก็หยุดได้ถ้ายังหยุดซื้อกระเป๋าไม่ได้ก็แสดงว่ายังไม่มีสมาธิตอนนี้ได้ยี่ห้อไปหลยี่ห้อแล้วค่ะอเสโกรต้าองบาองใ <laughs> ันนี้ถา Facebook คำละเท่าไหร่ สุด้อยี่สิูทูปหน่งอ่ค่ะพอวันจันทร์ก็กลับมาเยอะหน่อยถ้าเสาร์อาทิตย์ก็สามร้อยกว่าเสาร์อาทิตย์ก็สามร้อยกว่ากับเจ็ดสิบถ้าวันธรรมดาก็สี่ร้อยห้าร้อยเพิ่มไป youtube ก็ร้อยกว่าอ่าอดีมเติมมาเติมใหม่ตมธรรมะติมน้ำมันตามความรู้ ถ้าอยากจะให้มันอยู่นานๆก็ต้องกลับไปคิดบ่อยๆทบทวนสิ่งที่ได้ยินได้ฟังอันไหนจำได้พยายามทบทวนอยู่เรื่อยๆแล้วมันจะไม่ลืมแต่ได้ไม่ดังมาฟังบ่อยๆจ <c oughs> ะลืมต้องเห็นหน้าของพ่อเมื่อไก็จะอยาไปติดคาอยาไปติดคนสอนให้ติดคำสอน <c oughs> อ คำสอนนี้เป็นประโยชน์คนสอนนี่ไม่เป็นประโยชน์คนสอนนี่บางทีเดี๋ยวเกิดเป็นอะไรไปก็จ ะ, ะจะก็จะหมดไปแต่คำคำคำสอนไม่มีวันหมดคำสอนนี่แม่พพุทธเจ้าท่านสั่งไว้ก่อนตายว่าเราคือคำสอนถ้าเธอพวกเธอเข้าหาคำสอนพวกเธอเท่ากับเข้าหาเราเราอยู่ที่คำสอน เราไม่ได้อยู่ที่ร่างกายที่มีอาการ32ร่างกายนี้มันเป็นเพยงเครื่องมือที่จะเอาเราออกมาสู่พวกเธอคือคําสอนของเราอาเดียนี้เรามีคําสอนของพุทธเจ้าอยู่แล้วเราเข้าหาคําสอนเราก็จะเข้าถึงพระพุทธเจ้าโดยตรงเลยไม่ต้องไปที่ประเทศอินเดียไม่ต้องไปสี่สังเวชนีเดียสานที่พวกที่ต้องไปกันเพราะเขาอ่านหนังสือไม่ออกอ่านหนังสือไม่เป็น อ่านหนังสือธรรมะแล้วง่วงนอนก <c oughs> ็เลยต้องไปที่อินเดียแทนแต่พวกที่อ่านหนังสือแล้วฟังเทศเข้าใจไม่ต้องไปอินเดียเชื่ออย่างเด็ดเชื่ออย่างร้อยเปอร์เซนว่าพระพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมคาสอนเป็นของจริงพ <c oughs> ระอริยสงสาวกนี่มีจริง <c oughs> มีคําถามต่างชาติไหมวันนี้ยังไม่มีอมีแต่ของคนไทยเอาเลย ใครอยากจะถามก่อนไหมแถว น, นี้ไม่มีอะไรไหมถ้าใครอยากจะถามก็ยกมือขึ้นมาไม่มีก็จ ะ, ะให้ทางบ้านถามไปพิดค้างถามจากคุณถามได้เลยถามได้เล ย, ม ไ, เลยไม่ต้องเพ่งใจไม่ต้องเงงนะถ้าถามอย่างนี้พะอาจารับเวลาเราหน้าปฏิบัติธรรมเสร็จแล้วเมื่อเราถอนจากการนั่งแล้วแล้วก็มาพิจารณาร่างกายาาใช่ใช่ พิจานณาบ่อยๆเพื่อให้มันไม่ลืมไงอันนี้เรายังลืมยังหลงว่าร่างกายเราสวยร่างกายคนนั่งสวยอยู่เพราะเราไม่เคยเห็นตับไตไส้พุงของเราเลยไม่เคยเห็นกระโหลกศีรษะไม่เห็นโครงกระดูกของเราเราก็เลยลองคิดว่าร่างกายเราสวยพอมันไม่สวยขึ้นมาก็ตกใจแต่ถ้ารู้ว่ามันไม่สวยมาตั้งแต่เกิดแล้วมันก็จะไม่ได้ไม่ตกใจเกิดม <Rob. S 2> ามันก็มี ครกระโลกมีตับตายไส้พุงติดมาอยู่ตลอดเวลาแต่เรามองไม่เห็นมันมั น, นก็เลยคิดว่าเราไม่มีของพวกนี้กันคิดว่ามีแต่หน้าตามีแต่ผิวมีแต่ผมขนเล็บฟันหนังแค่นั้นเองอมา่อนั่งเสร็จแล้วเราก็มักจะนั่ว่าสังขารเรามาันนั่งและกายเรานั่งแบบท่านี้เมืม่อโยมงนั่งแล้วก็มองดอมมอมูมันเหมือนว่าเป็นมันมันเหมือนว่าตัวเราเองก็เหมือนว่า สังขารคือแยกออกจากกันก็สังขารกับใจก็คนละคนกันไงใจเป็นคนดูร่างกายร่างกายใจกับร่างกายก็เป็นคนละคนกันงั้นใจไม่ต้องไปตกใจเวลาร่างกายเป็นอะไรเพราะใจไม่ได้เป็นไปกับร่างกายร่างกายตายไปใจก็ยังอยู่คนที่ดูร่างกายนี้ก็ยังอยู่เพียงแต่ว่าเมื่อไม่มีร่างกายก็ต้องไปอยู่ตามแบบไม่มีร่างกายไปจนกว่าจะได้ร่างกายอันใหม่ ก็ได้เกิดใหม่อคมอ่าแต่ อ, อันนี้สังขารจิตจิตเราอยู่กับร่างกาย อ, อร่างกายจะทําอะไรคือจิตส่งใช่ไหมคะที่พระอาจารย์เทศอยู่โยมออมาจิตเป็นคนสั่งไงสั่งให้ร่างกายพูดสั่งให้ร่างกายเนี้ยกําลังพูดเนี่ยจิตเป็นคนสั่งให้ร่างกายพูดก่อนจะพูดได้ต้องคิดก่อนว่าจะพูดอะไรออถ้าไม่คิดก็ไม่ได้พูด ใจเป็นนายกายเป็นบ่าวเป็นสองคนร่างกายเป็นคนหนึ่งใจเป็นอีกคนหนึ่งร่างกายมีรูปร่างแต่ใจไม่มีรูปร่างใจมีแต่ความรู้สึกเนื้อคิดความรู้สึกเวลาดีใจนี่อยู่ตรงไหน้องสังเกตเวลาดีใจอยู่ตรงขาหรืออยู่ตรงหัวไม่เจอใช่ไหมพราไม่ได้อยู่ในร่างกายใจไม่ได้อยู่ในร่างกายเวลาดีใจเสียใจลองไปค้นหาที่ที่มันดีใจเสียใจถามว่าอยู่ตรงไหนวะ หาเจอไหมอยู่ตรงหัวเหรออยู่ตรงขาเหรออยู่ตรงท้องเหรอไม่มีหรอกใจไม่ได้อยู่ในร่างกายใจอยู่ที่หนึ่งติดต่อกันได้ด้วยกระแสกระแสจิตกระแสจิตส่งมาเกาะที่ร่างกายเพื่อจะได้รับข้อมูลข้อรับรู้เรื่องทางร่างกายรับรูปเสียงกลิ่นรสผ่านทางตาหูจมูกมือกายแล้วก็ส่งไปให้ใจอีกทีใจนั่งอยู่ตรงนี้ร่างกา ย, ยตรงนี้อยู่คนละที่กัน นั้นร่างกายเป็นอะไรไปใจไม่ได้เป็นอะไรแต่ใจกลับไปตกใจแทนร่างกายพอร่างกายจะเป็นอะไรของูเลยเข้ามาหน่อยใจตื่นเต้นตกใจกระโดดขึ้นมาแล้วไม่ใช่ร่างกายกระโดดนะใจกระโดดถ้าถ้าใจไม่กระโดดร่างกายมันก็นั่งเฉยๆถ้าสมมติถ้าใจหลับไปร่างกายมันก็ไม่รู้เรื่องงูมาก็มาไปร่างกายมันไม่รู้เรื่องอะไรตัวที่รู้เรื่องคือจิต ดี่รู้ผิดเท่นั้นเองไปรู้ว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราขึ้นมาก็เลยกลัวไปรักตัวกลัวตายให้กับร่างกาย<น>ถ้ารู้ว่ามันไม่ใช่เป็นตัวเราของเราเราก็จะไม่รักตัวกลัวตายในร่างกาย น, นี้เหมือนร่างกายคนอื่นเราไปรักตัวกลัวตายแทนเขาเนี่ยคนนั้นนั่งตัวนั้ น, นถ้างูเลื้อยเข้าไปหาเขาเนื้อจะตื่นเต้นตกใจไหก็ร<น>่างของเขาไม่เรา <laughs> ใช่ออเออ นี่คือวิธีแยกใจกับแยกกายต้องคอยเตือนคอยสอนคอยเปรียบเทียบคอยพูดสอนว่าให้เราเป็นเพียงแต่คนสั่งเราเป็นเจ้านายของร่างกายร่างกายเป็นคนรับใช้เราคนรับใช้เป็นอะไรเราก็ไม่ได้เป็นไปกับคนรับใช้เราก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่ไม่ตายไม่แก่ไม่เจ็บใจของเราไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บไม่มีวันตาย ไม่ต้องกลัวความแก่กลัวความเจ็บกลัวความตายเพราะถิงที่แก่ที่เจ็บที่ตายไม่ใช่เรา พ, ะะพิจารณาไนะปจนกว่ารเราจะไม่ไม่กลัวความแก่ความเจ็บความตาย <c oughs> พร้อมที่จะแก่ได้ตลอดเวลาพร้อมที่จะเจ็บได้ตลอดเวลาพร้อมที่จะตายได้ตลอดเวลาว <c oughs> ิธีเชื่พิสูจน์ก็ต้องนั่งให้มันเจ็บ <c oughs> นั่งให้มันเจ็บแล้วดูซิว่าปล่อยมันเจ็บได้ม อยากไปขยับได้ไหมถ้าขยับก็แสดงว่าไม่ไม่อยากให้มันเจ็บล่ะปล่อยเลยนชาไปจนหายชาอ่นั่นแหละเดี๋ยวมันเป็นได้มันหายเองมันไม่หายก็อยู่กับมันไปอย่าไปอยากอยากแล้วมันจะทรมานใจใจจะสั่นขึ้นมาเราจะทำให้ทนไม่ได้ที่ทนไม่ได้เพราะไม่ใช่ความเจ็บของร่างกายแต่ความสั่นของใจพอใจสั่นแล้วมันมันไม่มีความสุขแล้วมันทรมาน มันก็เลยต้องหาวิธีให้ความสั่นหายไปมันก็เลยต้องขยับร่างกายเพราะอยากจะขยับร่างกายเพราะได้ขยับร่างกายแล้วก็หายสั่นโอ้เบาไปเดี๋ยวมันเจ็บใหม่ก็สั่นใหม่แต่ถ้ามันเจ็บแล้วปล่อยมันเจ็บไปอย่าไปขยับอย่าไปทําอะไรมันต่อไปมันเจ็บเราก็จะไม่เดือดร้อน เป็นเป็นกันตายตรงนี้ตายไปได้เพื่อคิดแบบนี้ยได้ดีนะทําไปเรื่อยๆจงกว่าจะไม่กลัวความเจ็บไม่กลัวความตายมาเติมมาเติมให้แน่นขึ้นแน่นขึ้นฟังอย่างเดียวไม่พอต้องปฏิบัติด้วยปฏิบัติมันถึงจะได้ผลฟังเพลงแต่สิบปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นเวลาปฏิบัตินี่เหมือนหนึ่งตาเห็น พอเห็นปุ๊บไม่เข้าใจเลยไม่ลืมเลยต่อไปต่อไปจะไม่กลัวความเจ็บหรือว่าเพราะรู้ว่าความเจ็บไม่ไ ม, ไม่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่ากลัวสิ่งที่น่ากลัวคือความอยากก็ไม่เจ็บที่ทําให้ใจเราสั่นที่ทําให้ใจเราทุกข์กัน <c oughs> พอเราทําควบคุมความอยากได้ใจเราก็จะไม่มีวังสั่นอีกต่อไป <c oughs> แล้วคนไหนเพลินก็นั่งนานที่นั่งไม่อยากถอดออกเลยอ่ะอยากจะนั่งอยู <c oughs> ่เลยเพลินดีทำไปเรื่อยๆนะเอาและนะจะขอให้คนอื่นเข้าถามบ้างนะอย่าพูดอะไรนะอ่ะาคงถามต่อคุณเชรานเชลมาค่ะเชาานมจากศรีรังกา how are you ชจรานอาจาร์ for your information I will only get my visa on 7 August. Therefore, we have 105, and we will arrive there on 8 August and leave on 26. 8, 8 to the 26. Okay, please inform Tan Yi Wei so that he will know. Because I can forget after I talk about something else, and I'll forget what you said to me. But I'll try not to. 8 to 26, you will be here. เราอยากจะมาอยู่ปฏิบัติธรรมบนเขามาจากประเทศศรีลังกาหลังจากที่ติดตามถ่ายทอดสดมาก็อยากจะมาออก็เลยขอขออนุญาตมาพักอยู่ข้างบนนี้ก็ไม่มีกุฏิแล้วมีแค่มีที่มีหลังคากันแดดกันฝนมีที่นอนมีมีพื้นยกขึ้นขึ้นเหมือนตรงศาลาเนี้ยระหว่างเสาสี่ต้นเนี่ย แล้วก็มีทางเดินจงกรมห้องน้ำก็ต้องมาใช้รวมกันอาจจะกินอาหารตอนเช้าก็ต้องเดินลงไปที่วัดก็สากิโลครึ่งพระทุกรูปที่อยู่บนเขานี้ตอนเช้ามือ น, นี้ต้องเดินลงไปปีสี่ก็ต้องเดินลงไปที่วัดเพื่อไปเตรียมตัวออกบินธบาตบินธบาตเสร็จก็ฉันฉันที่ศาลาเสร็จก็ล้างบาทล้างอะไรเสร็จทาความสะอาดเสร็จก็ กลับขึ้นมาบางองค์ก็เดินขึ้นมาบางองค์ก็ร อ, อนั่งรถขึ้นมาพอขึ้นมาก็แยกกันไปอยู่ที่พักเนี่ยมขึ้นมาจะไม่เห็นพระพระเขาจะไม่ออกมาเพ่นพ้านตอนนี้ก็หลังนั่งสมาธิเดินจงกรมปฏิบัติธรรมของเขาไปจะมาก็ตอนสี่มงคึ่งญาติโยมกลับไปแล้วมาช่วยกันกวาดมาช่วยกันกวาดการเก็บอะไรต่างๆแล้วเดี๋ยวท่านก็นฉันน้ำปนานะกัน ทันเสร็จท่านก็กลับไปที่พักอาบน้ำอาบท่าอะไรไปแล้วก็เดินจงกรมนั่งสมาธิไปจนถึงเวลาพักหลับนอนสี่ทุ่มห้าทุ่มตีสองตีสามวต็่นขึ้นมาภาวนาต่อพอตีสี่ก็เดินลงไปเนี่ยชีวิตของพระของคนปฏิบัติบนเขามีแค่นี้แต่ทาไมาอุตสาหบินข้ามน้่งข้ามทะเลมากันก็ไม่รู้ไม่มีโปรโมชั่นอะไรพิเศษ มีอย่างเดียวคือไม่ไม่เก็บตังค <laughs> <Free. S 2> ์นั่นึองฟรีจะบริจาคก็ได้ไม่บริจาคก็ได้ณ <c oughs> รา น, นี้น่าจะน่าจะอยู่มาปีหนึ่งไหมฮะติดตามมาปีหนึ่งคุณเชอรันดีพายมาค่ะชื่ออาจารย์วิว o that โอเคเซี่ยวนัน n อนเดอะเอทอออคต์สคำถามจากคุณสืบสูงค่ะ ดิฉันเคยเข้าคอร์สวิปัสนากรรมฐานมานานมากแล้วตอนนี้อยู่ต่างประเทศอยากจะปฏิบัติเองที่บ้านแต่เริ่มต้นไม่ถูกค่ะจะเริ่มจากตรงไหนขอคำแนะนำด้วยค่ะเริ่มต้นที่สติไงพอลืมตาขึ้นมาตื่นขึ้นมาก็พุโทโธเลยบุกเลยถ้าเป็นนักมวยพอตีละครั้งเต้นก็ออกไปต่อยเลยอย่าไปรอให้เขาวิ่งมาต่อยเราออกมาบักก็วิ่งไปต่อยผูต่อสู้เลยพุโทโธพุโทโธใส่มันเลย ถ้าเป็นนักลบก็พุ่งห้องไปก่อนนะะัน <c oughs> ลืมตายขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธเลยก่อนที่จะทําอะไรก็พุโทโธลุกจากเตียงก็พุโทโธเดินเข้าห้องน้ําก็พุโทโธล้างหน้าแปรงฟันแต่งเนื้อแต่งตัวอาบน้ําก็พุโทโธไปอะ่าปล่อยให้ใจคิดถ้าจะคิดก็คิดแต่เรื่องที่จําเป็นก็หยุดพุดโทโธไว้ชั่วคราวเช่นวันนี้วันอะไรต้องไปทไําอะไรมีธุระอะไรต้องทําก็คิดได้ ออกคิดเสร็จแล้วก็หยุดคิดแล้วก็เตรียมตัวไปอาบน้ำแต่งตัวกินข้าวเดินทางไปที่ทำงานถ้าทำงานาถ้าอยู่บ้านไม่ทำอะไรก็ไม่ต้องคิดอะไรทาคิดแต่เรื่องที่ยังเป็นจะต้องทำเท่า น, นั้นเองเช่นต้องทำกับข้าวต้องทำอะไรก็คิดไปต้องกินข้าวก็คิดอยู่กับการการกินข้าวทำอะไรก็ให้อยู่กับคิดอยู่กับการที่เราสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ให้อยู่ในปัจจุบันให้อยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้ แล้วก็พอเสร็จธุระอะไรต่างๆก็เดินจงกรมก็ได้เดินจงกรมก็พุโทโธไปก็ได้หรือเฝ้าดูการเดินของเท้าก็ได้เท้าก้าวซ้ายก็ว่าซ้ายเ ท, ท้าเท้าก้าวขวาก็ว่าขวาไปซ้ายขวาซ้ายขวาไปหรือพุโทโธพุโทโธไปแล้วพอเมื่อยอยากจะพักก็นั่งหลับตานั่งขัดสมาธิจะพุโทโธก็ได้หรือจะดูลมหายใจเข้าออกก็ได้ทําไปอย่างนี้แล้ว เดี๋ยวจิตก็สงบเองไม่ต้องทำอะไรแค่นี้แหละคือการปฏิบัติศีลก็รักษาอยู่แล้วถ้าเราเดินจกยมนักสมาธินี่เราก็รักษาศีลได้เป็นร้อยข้อพันข้อแล้เพราะเราไม่ได้ไปทำอะไรผิดเลยอย่างตอนนี้ญาติโยมนั่งอยู่ตรง น, นี้รักษาศีลได้มากกว่าพระอีกเพราะญาติโยมไม่ได้ทำอะไรเลยถ้าพระไปเดินชอปปิ้งแถวแถวนู้นแถ ว, น, แถวนี้ก็ผิดศีลละเห็นเอม งั้นถ้านั่งเฉยๆเดินเฉยๆนี่ไม่มีไม่มีการทําผิดศีลอย่างแน่นอนรักษาศีลกี่ร้อยข้อกี่พันข้อก็รักษาได้ <c oughs> ถ้าเดินโยงกลมนั่งสมาธิไม่ต้องกังวลเรื่องศีลมีแล้วแต่ถ้าพอไปกินข้าวเย็นเนี่ยผิดศีนละะหรือถ้าไปเปิดทีวีดูละครเนี่เริ่มผิดศีนแล้วแต่ถ้าเดินโยงกลมนั่งสมาธินี้ไม่มีวันผิดศีนงั้น <c oughs> ถ้าไม่อยากให้ผิดศีนก็ ถ้ามีทีวีก็ไปฝากคนอื่นไว้ไปเก็บไว้ที่อื่นไปเก็บไว้ในที่ที่มันเปิดดูยากหน่อยเอาไปใส่กล่องใส่กระดาษเก็บไว้เลยใ น, ในตู้ในอะไรถ้าอยากจะปฏิบัติทำอยู่บ้านปฏิบัติทำก็อย่าให้มีของพวกนี้มาทํามาล่อใจเราให้มีแต่เตียงนอนเตียงก็ไม่ต้องมีให้มีแต่ที่นอนที่กินแค่นั้นก็พอละถ้าอยากจะปฏิบัติที่บ้านแล้วถ้าไม่มีงานทําก็ดี ที่บ้านถ้าอยู่คนเดียวเท่นอยู่คอนโดอย่างเงี้ยก็าสามารถทำได้เลยเดินจงกรมนั่งสมาธิในคอนโดไปคำถามทักปรึกษาอยู่กับแม่ตอนที่แม่ตาย <c oughs> ขณะนั้นจิตใจสงบ <c oughs> ไม่ตกใจ <c oughs> ไม่เสียใจเช็ดตัวแต่งตัวให้แม่ปกติพอเสร็จงานแล้วกลับมามันเศร้าร้องไห้ รู้สึกใจหมองๆจมอยู่กับความเศร้าค่ะกลับขอคําแนะนําค่ะก็เพราะเราปล่อยใจใไปคิดถึงแม่ไงยังมีความอยากที่จะให้มีความสุขจากการได้อยู่ใกล้ชิดกับแม่แต่ตอนนี้ไม่มีแล้วมันก็เลยเศร้าขึ้นมาเราปล่อยให้ใจคิดเราต้องพุโทโธพุโทโธไปอย่าไปคิดลืมไปแล้วว่าอดีตมันเหมือ น, นเหมือนความฝันเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อกี้นี่มันกลายเป็นความฝันหมดแล้ว เมื่อกี้นิยมพูดอะไรถามอะไรนี่มันเหมือนความฝันไปแล้วเหมือนตอนนี้เราตื่นขึ้นมาแล้วแม่ตายไปแล้วก็เหมือนกับเราฝันเราตื่นขึ้นมาเหมือนฝันว่าแม่ตายไปแล้วท่ น, วนั้นเองเราไม่สามารถเอาความฝันกลับมาได้เราต้องอยู่ในปัจจุบันอยู่กับความจริงตอนนี้เราอยู่คนเดียวเราก็ถ้าเหงาเศร้าส้อยก็แสดงว่าใจเราไม่สงบใจเราปรุงแต่งปรุงถึงอดีตปรุงถึงแม่ปรุงถึงอะไรต่างๆ ถึงแม้เราอาจจะว่าคิดว่าเราไม่ได้ปรุงแต่ลึกๆมันปรุงมันนึกมันม น, กนึกถึงมันมันไม่ได้ปรุงแต่มันใช้สัญญาปรุงแทนจำจาเหตุการณ์ต่างๆจําอะไรต่างๆมันก็ทําให้เราเศร้าได้ดังนั้นอย่าไปสนใจพยายามดึงใจกลับมาให้อยู่ที่พุทโธพุทโธไปทำใจให้สงบไปถ้าใจสงบเป็นอุเบกขาแล้วอารมณ์ต่างๆจะไม่มีถึงแม้มีปัญญา แต่ถ้าไม่มีไม่มีอุเบกขามันก็ยังเศร้าแต่แม้ยอมรับว่ามันเป็นอดีตไปแล้วมันผ่านไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเกิดแล้วต้องดับแต่ใจก็ยังเศร้าได้ถ้าใจไม่มีอุเบกขาแต่ถ้าใจมีอุเบกขานี่จะเฉยเหมือนก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรือถ้ามีปัญญาก็ต้องเป็นปัญญาแบบปัญญาจริงเห็นว่าทุกอย่างเป็นดินฟ้าอากาศไปเหมือนฝนตกฝนตกเสร็จแล้วเราเศร้าไหมเวลาฝนหยุดแล้ว ไม่เศร้าใช่นี่ก็เหมือนกันเวลาเหตุการณ์ต่างๆผ่านไปไมันก็เหมือนฝนที่ตกแล้วหยุดไปเราก็อยู่กันต่อไปเท่านั้นเองอยู่กับฉากใหม่ของละครเยชีวิตเราเป็นเหมือนละครมีเป็นฉากฉากมีเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์ก็เป็นฉากหนึ่งตอนนี้มานั่งฟังธรรมก็เป็นฉากหนึ่งเดี๋ยวก็ไปนั่งรถก็เป็นอีกฉากหนึ่งเดี๋ยวไปกินขนมก็อีกฉากหนึ่งมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆ คำถามจากคุณสุรพงศ์จิตใจมันเบื่อจิตใจมันไม่อยากเอาอะไรแล้วแล้วอย่างนี้ต้องเอาไฟจี้ไฟลนให้มันรู้สึกยังไงต่อดีครับหรือทําอย่างไรต่อดีครับอ๋อถ้ามันถ้ามันอยากแบบไม่สบายใจก็แสดงว่ามันไม่ได้มันไม่ได้เป็นธรรมมันมันมันมันไม่อยากเพราะว่ามันอาจจะไปเจอสิ่งที่ไม่ดีมันเลยทําให้มันไม่อยากมันยังไม่มีความสุขในใจ แต่มันจะมันจะมันจะไม่อยากแบบที่มีความสุขนี้ต้องให้ใจมีสมาธิทําใจให้สงบใจมีความสุขแล้วทีนี้มันจะไม่อยากแบบมีความสุขแต่ถ้ามันไม่อยากเพราะว่ามันไม่ได้ดังใจอยากก็เลยไม่อยากอันนี้มันก็ยังทุกอยู่อยากได้แฟนแล้วไม่ได้แฟนที่สีก็เลยไม่อยากได้ดีกว่ามันก็มันก็ยังรู้สึกไม่สบายใจเพราะล็กเล็กเกเมันก็ยังอยากได้อยู่เแต่แต่ว่าเมื่อมันไม่ได้มันก็เลย มันก็เลยพูดประชดตัวเองไ ม, อไม่อยากแล้วไม่อยากแล้วพอมไม่ได้แต่เดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสได้เมื่อไหร่ก็เอาทันทีเหมือนกันถ้าแบบนี้เรียกว่าไม่อยากแบบกิเลสไม่ได้ไม่ได้อยากแบบธรรมถ้าไม่ได้อยากแบบธรรมนิจใจต้องมีความสุขใจมีความอิ่มมีอุเบกขามีสมาธิแล้วมันจะไม่อยากจริงๆคาถามจากคุณปาิสาข้อที่หนึ่งค่ะ การที่บวชแล้วลาสิกขาแล้วขับไปบวชอีกแล้วก็ลาสิกขาอีกคนละหลายหลายรอบแต่พอออกจากบวชก็มาหลงตามราคะมาหลงกิเลสเสพยาโมโหร้ายแบบนี้ได้บุญไหมคะก็เวลาบวชก็ได้เวลาเสกก็ไม่ได้ข้อที่สองค่ะขอพระอาจารย์ช่วยชี้แนะหนทางแห่งการได้บุญและการทำตนให้พ้นจากบาปและกิเลสการราคะด้วยค่ะ ก็ไปเปิดดูก็เรียกอะไรบุญญากริยาวัตถุสิบประการบุญยากริยาวัตถุสิบประการลองค้นหาใน Google ก็ได้เดี๋ยวจะลองทบทวนดูบุญที่เกิดจากการทําทานคือการให้บุญที่เกิด จ, จากการรักษาศีลไม่ทําบาบุญที่เกิดจากการภาวนานั่งสมาธิเดินจงกรมจเจริญวิปัสสนาบุญที่เกิดจากการอุทิศบุญ บุญที่เกิดจากการอนุโมทนาบุญบุญที่เกิดจากการรับใช้ช่วยเหลือผู้อื่นบุญที่เกิดจากการเป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตนบุญที่เกิดจากการมีความเห็นที่ถูกต้องเห็นว่าบุญมีจริงบาปมีจริงบุญเป็นเหตุทำให้เกิดสวรรค์ขึ้นมาบาปเป็นเหตุทำให้เกิดนากขึ้นมาการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงตายแล้วไม่สูญเนี่ยนี่คือความเห็นที่ถูกต้อง ถ้าอยากจะถ้ายังไม่มีความเห็นที่ถูกต้องก็ต้องหมั่นศึกษาฟังเทศฟังธรรมและปฏิบัติธรรมไปถ้าศึกษาอย่างเดียวมันก็รู้แบบสิบปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นถ้าปฏิบัติไปมันก็จะเห็นอย่างชัดเจนแต่ก่อนที่จะปฏิบัติก็ต้องเรียนรู้ก่อนว่าวิธีปฏิบัติเพื่อให้เห็นให้มีสัมมาทิฏฐิที่ถูกต้องนี้ต้องปฏิบัติอย่างไรอันนี้ก็คือบุญต่างๆ10ประการด้วยกันอันนี้ คิดว่าเจ็ดข้อแล้วมั้งบุญที่เกิดจากการให้ธรรมะเนี่ยพิมพ์หนังสือธรรมะมาแจากก็เป็นบุญอย่างนึงคือบุญที่เกิดจากการฟังเทศฟังธรรมเนี่ยตอ น, นี้ฟังธรรมแล้วได้บุญละได้ความสุขใจได้ความได้ได้ความรู้ความฉลาดขึ้นอันนี้ก็เป็นบุญ10ประการที่พระเจ้าสอนให้ทําไม่ต้องไปไม่ต้องไปทําบุญชนิดอื่นไม่ต้องไปบูชาลาหุนไม่ต้องไป ลอดใต้ทุนโบอมีอะไรกับที่เขาทำกันให้ทำบุญสิบประการนี้ก็พอคำ ถ, ถามจากคุณชนะตนภาวนาแล้วมีความสุขอยากอยู่คนเดียวไม่อยากรู้เรื่องโลกภายนอกทำให้เราเชยไปไหมคะแต่เราไม่ได้รู้สึกว่าต้องรู้ให้ได้เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนถ้าไม่รู้จะทุกข์เพราะกลัวคนอื่นดูถูกค่ะถูกแล้วแหละเพราะว่า ถ้ามีความสุขแล้วมันก็ไม่อยากจะรู้อะไรแล้วรู้ไปก็เท่านั้นความรู้ทั้งหมดนี้ถ้ารู้แล้วไม่ทําให้ใจเรามีความสุขก็อยากไปรู้มันดีกว่ารู้แล้วทาให้เราวุ่นเราอยากไปรู้มันดีกว่าก็เรียกความรู้เท่ามหัวตัวไม่รอดไม่รอดพ้นจากความทุกข์ไงแต่พอนั่งสมาธิแล้วความทุกข์หายไปหมดเลยไม่ต้องรู้อะไรแล้วขอให้รู้วิธีนั่งสมาธิก็พอ รู้วิธีนั่งรู้วิธีทำให้สมาธิเกิดขึ้นมาก็พอให้รู้แค่นี้แล้วก็จะมีความสุขจะไม่อยากจะรู้อะไรต่อไปไม่จำเป็นจะต้องรู้ขอให้รู้จากวิธีรักษาใจเราให้สงบไปตลอดเท่านั้นเองคำถามจากคุณนพลครูบาอาจารย์บางท่านเล่า ว, ว่าหากเราปฏิบัติจริงๆเราสามารถรับธรรมกับพระอรหันต์รูปต่างๆที่ดับขันได้มีจริงไหมครับเราต้องมีความสามารถที่จะ รับรู้ดวงวิญญาณพวกกายทิพย์ได้เท่านั้นถึงจะสามารถที่จะติดต่อกับพระอารหันต์หรือพระพุทธเจ้าที่ตายไปแล้วในอดีตได้แต่ถ้าเราไม่มีความสามารถที่จะติดต่อกับกายทิพย์ได้เราก็จะไม่สามารถที่จะรับรู้จากท่านได้คำถามจากคุณกิจกรข้อที่หนึ่งค่ะผมนั่งสมาธิเมื่อรวมจิตไว้ที่สวนดุอนนะคะ เมื่อรวมจิตไว้ที่ศูนย์รวมกายจุดใดจุดหนึ่งเช่นกำหนดไว้ที่ลมหายใจเข้าออกแล้วหลังจากสงบลงก็ยกความเป็นอนิจจังของสิ่งทั้งปวงขึ้นมาคิจารณาทำให้นั่งได้นานมาก 3-5 ชั่วโมงบางทีก็ทั้งคืนขอพระอาจารย์เมตตาแนะนำแนวทางต่อไปว่าจะทำอย่างไรครับก็ต้องเอาปัญญาที่เราได้นี้มาฆ่ากิเลสฆ่าความอยาก จากสมาธิมาพออยากอะไรก็ต้องเอาปัญญานี้มาหยุดมันให้ได้อยากดื่มกาแฟาก็ต้องหยุดมันให้ได้อยากเที่ยวก็ต้องใช้ปัญญาหยุดมันให้ได้อยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายก็ต้องใช้ปัญญาหยุดมันให้ได้ข้อที่สองค่ะขอพระอาจารย์เมตตาแนะนําการปฏิบัติในการพิจารณาความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นของไม่ใช่ตัวตนขอบคุณครับ ไม่เท so so in er ี่ยงก็มันก็บอกอยู่ในตัวแล้วไม่เที่ยงไม่เที่ยงก็บ่ายโมงก็ไม่เที่ยงนะสิบเอดโมงก็ไม่เที่ยงนะไม่เที่ยงก็คือมันมันไม่มันไม่เที่ยงตลอดเวลาไงมันเปลี่ยนไปตามเวลาเดี๋ยวก็สิบเอ็ดโมงเดี๋ยวก็เที่ยงเดี๋ยวก็บ่ายโมงเดี๋ยวก็สองโมงถ้าสองโมงมันก็ไม่เที่ยงแล้วเหมือนร่างกายเราเนี่ยมันมันหนุ่มไปตลอดมันหนุ่มมันสาวไปตลอดหรือเปล่า เดี๋ยวมันก็แก่ลงไปละตอนที่มันจะมาเป็นหนุ่มเป็นสาวมันก็เป็นเด็กเป็นเป็นอะไรมาก่อนอันนี้ก็ไม่เที่ยงมันเปลี่ยนไปคําว่าไม่เที่ยงก็คือมันมันเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามีการเกิดมีการดับนีเรียกว่าไม่เที่ยงอนาตาก็คือมันเป็นธรรมชาติมันไม่ใช่มันไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราร่างกายนี้เราไปเรียกว่าเป็นของเราเองความจริงมันเป็นของธรรมชาติ เราไปสั่งให้มันไม่แก่ได้หรือเปล่าเราสั่งธรรมชาติเช่นลมไม่ให้มันพัดได้หรือเปล่า <voulais. S 1> ไม่ได้แล้วก็สั่งร่างกายไม่ให้มันไม่แก่ไม่ได้เหมือนกันร<ม>่างกายมันก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาตเเิเป็นเหมือ น, เ ป, น, เ, อนเป็นเหมือนลมเป็นเหมือนเป็นเหมือนลมเหมือนฝนฟ้าอากาศที่เขาต้องเป็นไปตามเรื่องของเขาเทุกอย่างในโลกนี้ก็เป็นธรรมชาติหมด เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับให้เป็นของเราได้ตลอดเวลาเงินทองมีกองเท่าภูเขาเดี๋ยวก็หมดเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นประานาที่ประดีเดี๋ยวก็หมด อ, อันนี้คือธรรมชาติของทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องมีวันหมดแล้วเราก็ไปสั่งไปห้ามมันไม่ได้มันเป็นธรรมชาติมันไม่ได้เป็นของเราอนัตตาแปลว่าไม่ใช่ของเราเป็นของธรรมชาติต้องปล่อยวางแล้วเราจะไม่ทุกข์ ถ้าไปยึดไปติดไปอยากให้มันเป็นของเราเวลาไม่เป็นของเรามันก็จะทำให้เราทุกข์ขึ้นมาการปฏิบัติธรรมนี้ไม่ได้ต้องการจะไปเปลี่ยนธรรมชาติต้องการจะดับความทุกข์ที่เกิดจากความหลงของเราไปมองว่าธรรมชาติเป็นของเราเท่านั้นเองให้เราคืนทุกอย่างให้เป็นของธรรมชาติไปคืนเงินทองคืนทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองคืนสามีภรรยาคืนบุตรธิดาคืนร่างกายของเราให้กับธรรมชาติเขาไป แล้วเราจะไม่ทุกคําถามจากคุณอังคาาขอสอบถามเกี่ยวกับการถือศีลแปดหลังเวลาเลิกงานแล้วสามารถปฏิบัติได้ไหมคะและการดื่มนมโอวัลตินหรือน้ําเต้าหู้ผู้ถือศีลแปดสามารถดื่มได้ไหมคะก็แล้วแต่วัดที่เราไปศึกษาเพราะบางวัดเขาก็อนุญาตให้ดื่มนมดื่มน้ําเต้าหู้ได้เช่นพระสายมหานิกายนี่ ท่านให้เดื่มอวันเป็นเดื่มน้ํานมเดิ่มนมถั่วเหลืองได้แต่ทางสายธรรมยุทธนี่ท่านไม่ให้ดื่มท่านถือว่ามันเป็นส่วนของอาหารไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นน้ําปานะน้ําปานะนี่ต้องเป็นน้ําผลไม้น้ำผลไม้นี้ต้องเป็นผลไม้ที่ไม่ใหญ่กว่ากําปั้นท่นมะพร้าวนี่ไม่ได้น้ํามะพร้าวไม่ได้น้ําแตงโมไม่ได้ ต้องเป็นน้ำส้มน้ำองุ่นน้ำแอปเปิ้ลเนี่ยได้อยู่น้ำสับประรดนี่ไม่ได้แล้วต้องไม่มีกากไม่มีเนื้อเวลาเวลาบีบน้ำมันแล้วต้องเอาผ้ามากรองเอาเอากากเอาเนื้อออกให้หมดให้เดือดดือดแต่น้ำอย่างเดียวคําถามจากคุณสารินีนักปฏิบัติธรรมไม่ควรท่องเที่ยวควรอยู่กับที่เพื่อปฏิบัติธรรมและเพื่อให้เจริญในธรรมคิดอย่างนี้ถูกต้องไหมคะ ใช่ถ้าไม่ไม่ไม่อยู่กับที่จายมันก็จะไม่นิ่งใจมันก็จะเก้งไปเรื่อยพอถึงตรงนู้นก็อยากจะไปตรงนั้นต่อพอถึงตรงนั้นก็อยากจะไปตรงนู้นต่อจายมันก็จะปรุงแต่งไปเรื่อยเราก็ต้องกําจัดจํากัดพื้นที่อย่าให้มันไปไหนเช่นให้อยู่กับที่อย่างอย่างพระนี่ท่านบังคับให้อยู่กับครูอาจารย์ห้าปีเลยพอบวชแล้วนี่ต้องอยู่กับอาจารย์ไม่ให้ไปไหนให้ศึกษาอยู่ห้าปีด้วยกัน คำถามจากคุณพรมพักษาค่ะเวลาตามรู้ลมหายใจไม่สามารถเห็นลมรู้ลมว่าเข้าถึงจุดไหนของช่องทางเดินของลมหายใจเราสามารถฝึกแบบเพียงแต่นึกเอาหรือสมมุติเอาได้ไหมครับหรือมีวิธีใดที่สามารถใช้ได้ไหมครับคือถ้าเราไม่สามารถดูลมได้ <Yeah. S 2> เราใช้พุโทโธแทนก็ได้ yeah. ถ้าเราตอนต้นดูลมได้<ม>ก็ดูไปดูไปจนกว่าลมมันละเอียดแล้วมันหายไปถ้ามันละเอียดแล้วมันหายไปไม่สามารถรู้ได้ก็ให้รู้เฉยๆให้รู้ว่าตายตอนเราตอนนี้รู<ม>้เฉยๆไม่คิดอะไรถ้าคิดก็หยุดความคิดเสียอย่าให้คิดใจสติหยุดความคิดก็ได้ถ้าไม่สามารถเห็นลมนะเพราะลมมันละเอียดจนไม่สามารถรับรู้ล ม, ไ ด, ม, ไ, มได้ก็ให้รู้เฉยๆไม่ต้องทําอะไร นั่งสมาธิเพื่อให้ใจรู้เฉยๆให้สักแต่ว่ารู้เท่านั้นเองไม่ให้คิดถ้ามันคิดก็ต้องหยุดมันคำถามจากคุณหยางค่ะเคยฝึกใจตัวตอนป่วยแล้วมีความรู้สึกเจ็บปวดที่เรียกว่าปวดเจียนตายพยายามสอนใจว่าปล่อยให้ร่างกายเป็นไปใจกับกายดนคนละส่วนหากจะต้องตายก็ให้ตายไปแต่ก็มีเสียงภายในบอกว่า ใจนี้ยังต้องอาศัยกายนี้ในการฝึกต่อยังต้องอาศัยกายนี้ในการสร้างกุศลต่อหากตายไปไม่รู้ว่าจะมีโอกาสเกิดมาเจอพระพุทธศาสนาเช่นนี้อีกหรือไม่โยมคิดว่านั่นคือเสียงกิเลสจึงกลับไปพุโทโธพุธโทโธแทนหากเกิดเช่นกันหากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกจะต้องสอนใจอย่างไรดีคะก็การปล่อยกายนี่เป็นการปฏิบัติทำอยู่แล้วเมื่อปล่อยกายได้แล้วก็ไม่ต้องมีร่างกายต่อไป ยันไม่ต้องอย่าให้กิเลสหลอกให้เราไปยึดไปติดกับร่างกายเป็นอนขาดถ้าร่างกายมันจะตายก็ปล่อยให้มันตายไปเลยถ้าเราปล่อยให้มันร่างกายตายไปได้เราก็ไม่ต้องพึ่งร่างกายกต่อไปแล้วยังสามารถปฏิบัติทำขั้นสูงต่อไปได้โดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายคําถามจากคุณประสิทธิ์เมื่อตายไปได้เสวยบุญอยู่ชั้นเทพเทวดาเสวยผลบาป อยู่ในอาบายเวลาอุทิศบุญไปจะไม่ได้รับบุญนี้จะหายไปไหนครับแล้วก็ได้รับตอนไหนครับอ๋อก็ไม่หายแล้วก็กลับมาหาเจ้าของที่อุทิศไปเท่านั้นเองเดี๋วถ้าอยากจะอุทิศให้ดวงวิญญาณน่อื่นก็ได้เช่นอุทิศให้สัตว์ประสาทตั้งหลายไปถ้าญาติพี่น้องที่เราต้องการอุทิศเขาไม่เขไม่ได้อยู่รับถ้ามีดวงวิญญาณโน่นอื่นนอนรับอยู่ก็ให้เขาไปก็ได้ เราก็จะได้บุญจากการอุทิศบุญเหมือนกันคำถามจากคุณนิพานผมจ ะ, จะเจริญสติมรณสติเป็นประจำพอผมมาคิดเรื่องอนาคตเรื่องการประกอบอาชีพเรื่องการหาทรัพย์ทุกอย่างมาลงกันที่เดียวกันคือตายอย่างนี้ถือเป็นการจเจริญทางปัญญาไหมครับเป็นถ้าเราพิจารณาแล้วเราสบายใจไม่วุ่นวายไม่วิตกกังวลกับอนาคต จะคุณนันทนาได้พาลูกชายอยู่ในช่วงวัยรุ่นมากราพระอาจารย์เขาถามว่าวันๆพระเขาทําอะไรบ้างรบกวนพระอาจารย์เมตตาตอบให้หน่อยเจ้าค่ะก็เนี่ยตอนเช้าก็บินทบาทบินเสร็จก็ฉันฉันเสร็จก็ทําความสะอาดเสร็จก็กลับไปกุฏิถ้า ง, ง่วงก็พักสักเดี๋ยวถ้าไม่ง่วงก็เดินจงกรมนั่งสมาธิไปจนถึงเย็นเย็นก็กวาด วัดกราบบริเวณวัดแล้วก็อาบน้ําอาบท่าดื่มน้ําปานะเสร็จแล้วก็เดินจงกรมถึงเวลานอนสี่ทุม่มเดินจงกรมนั่งสมาธิถึงเวลานอนสี่ห้าทุม่มก็สรุปก็คือเดินจงกรมกับนั่งสมาธิเป็นหลักงานของพระคําถามจากคุณเลิฟคนทุกคนที่เราพบเจอในชีวิตไม่ใช่เรื่องบังเอิญใช่ไหมคะ ก็เป็นนั่งบังเอิญนะไม่บังเอิญไม่บังเอิญก็เพราะตั้งใจตั้งใจมาเจอกันนี้ก็ไม่บังเอิญใช่ไหมวันนี้บังเอิญหรือเปล่าไม่บังเอิญเนอะเพราะตั้งใจแต่บางทีไม่ตั้งใจมาเจอกันก็เรียกว่าบังเอิญเอาอีกแคข้อสองข้อคําถามจากคุณสุรพงศ์อยากจะถอดถอนอุปทานขันทั้งห้าอยากเลิกอุปทานความคิดต่อสิ่งทั้งหลายให้หมดไปทั้งหมด ได้ั้มครับได้ต้องมองว่าเขาไม่ได้เป็นของเราเป็นของธรรมชาติเขาให้ยืมเรายืมมาใช้เช่นร่างกายนี้เขาให้เรายืมมาใช้เดี๋ยวถึงเวลาเขาก็มาเอาคืนไปไ อ, อ้คล้องมีไหมคำถามจากคุณไหมมีหนี้สินที่ยังไม่จ่ายถือว่าผิดสินข้อสองรักทรัพย์หรือไม่ต้องชำระหมดก่อนถือว่ารักษาสินห้าครบใช่ไหมคะ ถ้ายังไม่ได้จ่ายแต่ยังตั้งใจจ่ายอยู่ก็ยังไม่ถือว่ารักทรัพย์เพราะว่าก็มีข้อตกลงกันไว้ถ้าถึงเวลาจ่ายแล้วไม่จ่ายเนี่ยถึงจะเรียกว่ารักทรัพย์หรือว่าถึงเวลาจ่ายแล้วไม่จ่ายแล้วไม่มีเจตนาที่จะจ่ายเรียกว่ารักทรัพย์แต่ถ้าถึงเวลาจะจ่ายแต่ยังไม่สามารถจ่ายได้แต่ยังมีเจตนาจะจ่ายอยู่ก็ยังไม่ถือว่ารักทรัพย์เพราะยังตั้งใจจะจ่าย